อาจารย์มีอะไรจะปารมีไหมตอนที่ฟังท่านอาจารย์เราก็ไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับป้าพิธธรมบางหนังสือที่ที่ท่านแจกเราไปอ่านพรอ่านอ่านเรารู้สึกว่าในที่สุดเนี่ยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับใจของเราอะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องอื่นเลยแสดงว่าคําสอนของพุทธองค์เนี่ยสอนให้เกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้จิตใจของเราใช่ไหมครับ ใช่รู้กิเลสก็ให้รู้ที่ใจเราว่ามันเกิดตรงไหนเวลาจะบงกพุงแต่ยังไงก็ให้รู้มันแต่ว่าต้องมีสติคือนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดกำลังในทิตใจลงก่อนอเพื่อที่จะไปตามรู้มันได้อะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องทำที่ท่านสอนเนี่ยที่ท่านสอนให้เรานั่งสมาธิ ทีื่อให้เรามีกำลังว่าไม่งั้นเราตามมันไม่เห็นแล้วก็ค่อยๆตามไปดูที่เรื่องว่ามันเกิดตรงไหนมันเกิดตรงตามันเกิดตรงไหนแล้วก็มันเป็นตัวเล้าเปล่าหรือมันเป็นธรรมชาติของสิ่งที่มันไปเห็นแล้วมันดูแต่อะไรคล้ายๆอย่างนี้ใช่ไหมครับการได้ทำอย่างนี้ก็จะถูกต้องใช่ไหมครับก็ถูกต้องเป้าหมายก็คือ การกำจัดกิเลสตัณหาเนี่เท่านั้นเพราะกิเลสตัณหามันเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจเราก็พยายามที่จะเข้าให้ถึงตัวกิเลสให้ได้ตอนนี้ตัวกิเลสเราเข้าไม่ถึงมันหยุดมันไม่ได้เวลามันโลภเราก็หยุดมันไม่ได้เวลามันโกรธเราก็หยุดมันไม่ได้ มันก็เราก็เลยต้องสร้างกำลังของใจขึ้นมาให้มันทันกับกิเลสพอเกิดความโลภก็ต้องหยุดมันพอรู้ว่ามันโลภปั๊บก็ต้องหยุดมันทันทีพอรู้ว่ามันโกรธก็ต้องหยุดมันทันทีตอนนี้กิเลสมันฉลาดนมันหลอกให้เราอยู่ไกลกิเลสมันหลอกให้เราออกไป ข้างนอกกิเลสมันอยู่ในใจแล้วแต่กิเลสมันหลอกให้เราออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสห า, าสลาภยศสรรเสริ อ, อมันก็เลยทำให้เราไม่สามารถที่จะหยุดกิเลสได้กิเลสมันหลอกให้เราไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพกัน การหาลูบเสียงกลิก่นร้อก็เป็นคำสั่งของกิเลสความโลภความอยากเสพลูบเสียงกลิ่นร้นแล้วพอเราไปเสพก็ติดมันพอติดมาแล้วพอไม่ได้เสพก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเราต้องหยุดการเสพที่เราจะหยุดเราต้องเข้าไปข้างในเราต้องดึงใจกลับเข้ามาข้างใน ใจตอนนี้เราออกมาทางตาหูจมูกนิ้นกายถ้าเรานั่งสมาธิเราจะดึงใจให้กลับเข้ามาข้างในพรเวลาเรานั่งสมาธิเราจะใช้สติคือกรรมฐานชนิดต่างๆดึงใจให้กลับเข้ามาข้างในใรู้สึกเสียงมันก้องก้องกลางวานไงไม่รู้นะตัวข้างในนี้มันเบาไปหรือเปล่าโดยมาเชลตอนนี้ธรรมดามันจะดังกว่านี้ นั้นเป้าหมายของของธรรมะของการศึกษาของการปฏิบัติธรรมก็เพื่อเข้ามาทำลายกิเลสตัณหาตัวเดียวกันแต่เราเราบางทีก็เปลี่ยนเรียกมันบางทีก็เรียกว่ากิเลสบางทีก็เรียกว่าตัณหาแต่เป็นตัวเดียวกัน กิเลสก็คือความโลภโกรธหลงตัณหาก็คือความอยากอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากเหล่านี้มันก็เลยหลอกให้เราออกมาหาของข้างนอกใจกันมาหาลาบยศสาเสริญมาหารูปเสียงกลิ่นรสต่าง แล้วพอเราไม่สามารถหาได้เราก็เกิดความทุกข์ใจเกิดความเสียใจขึ้นมาถ้าเราต้องการที่จะถ้าเรารู้ว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากการที่เรามาติดกับการหารูปเสียงกลิ่นรสกับการมาหาลาบยศสรรเสริญเราก็ต้องเข้าไปหยุดตัวกิเลสคือตัวโลกตัวอยาก ตัวโลกตัวอย่างนี่มันอยู่ในใจเราเราต้องดึงใจกับเข้าข้างในการจะเข้าดึงใจกับเข้าข้างในก็ต้องนั่งสมาธินี่นั่งสมาธิเพื่อหยุดกระแสของความคิดที่ส่งให้จิตออกไปหาออกไปหาสิ่ ง, งต่างๆข้างนอกด้วยการหยุดกระแสของความคิดนี่ ความคิดพอเราคิดแล้วมันก็จะทาให้เกิดความโลภความอยากตามาพอคิดถึงเงินเพื่ออยากจะได้คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสก็อยากจะเสพงั้นถ้าเราหยุดความคิดได้เราก็จะหยุดความอยากได้แล้วเราก็จะกลับเข้าสู่ข้างในได้พอเราใจเข้าอยู่ข้างในเราก็จะทันกับกิเลส พอกิเลสโลเราก็หยุดมันได้พอโก o ธเราก็หยุดมันได้นี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติการปฏิบัตินี้เพื่อให้เราเข้าไปข้างในเข้าไปสู้กับกิเลสเข้าไปทำลายกิเลสเข้าไปทำลายความอยากเข้าไปทำลายความโลภเข้าไปทำลายความโกรธความหลงต่างๆ ให้หมดสิ้นไปจากใจในการปฏิบัติเบื้องต้นนี้เราต้องเจริญสติเพราะสติจะเป็นตัวดึงใจให้กลับเข้าข้างในถ้าไม่มีสติใจจะถูกกระแสของกิเลสผักดันให้ไปข้างนอกนี่พวกเราทุกวันนี้พอตื่นขึ้นมาก็ถูกกระแสของกิเลส ผักดันให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสไปดูไปเดินไปรับประทานไปดูไปฟังอะไรต่างๆทั้งวันตลอดเวลามันก็จะเป็นตัวคอยผักดันให้เราไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขแต่มันเป็นความสุขแบบยาเสพติดเป็นความสุขที่ ชั่วคราวพอได้เสพแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปหมดไปก็ต้องเสพใหม่แล้วถ้าเวลาที่ไม่สามารถที่จะเสพได้ก็เกิดปัญหาเกิดความทุกข์เกิดความหงุดหงิดเกิดความนำขาญใจต่างๆขึ้นมาแต่ถ้าเราสามารถนึ่งจิตให้กลับเข้าข้างในได้จิตก็จะสงบ พอจิตสงบกิเลสตัณหาก็ทํางานไม่ได้พอกิเลสตัณหาไม่ทํางานจิตก็มีความสุขนความสุขของจิตเกิดจากการหยุดทํางานของกิเลสตัณหาความทุกข์ของจิตเกิดจากการทํางานของกิเลสตัณหาพอกิเลสตัณหาเริ่มทํางานใจก็ต้อง วุ่นวายกับการไปทำตามที่กิเลสตัณหาต้องการนี่คือเรื่องของการมาศึกษาการมาปฏิบัติเป้าหมายก็คือมากำจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจกิเลสตัณหามันอยู่ข้างในใจแต่เรา ถูกกิเลสหลอกให้เราออกไปวุ่นวายกับสิ่งภายนอกใจไปวุ่นวายกับร่างกายไปวุ่นวายกับสิ่งต่างๆที่เราหาผ่านทางร่างกายคือทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองคนนั้นคนนี้สามีภรรยาบุตรธิดาเพื่อนฝูงอะไรต่างๆเหล่านี้ เราก็เลยมาวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้กันในแต่ละวันเราก็เลยไม่สามารถที่จะไปกําจัดไปหยุดตัวที่คอยหลอกให้เราออกมาวุ่นวายได้ถ้าเราไม่มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราก็จะวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปจนวันตาย แล้วก็กลับมาวุ่นวายใหม่เพราะว่าเราติดติดพวกนี้ติดลาบยศสารเสริญติดรูปเสียงกลิ่นรสพอร่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือหาราบยศสารเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสมันมันตายไปเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่พอมาเกิดเราก็มายุ่งกับเรื่องเดิม แบบเดิมเนี่ยที่สิ่งที่เราวุ่นวายกันอยู่ในขณะนี้ในชีวิตเนี้ยเราเคยวุ่นวายมาแล้วไม่รู้กี่ล้านครั้งคือการมาเกิดอย่างเนี้ยเราเกิดมามาไม่รู้กี่แสนล้านครั้งแล้วอย่าว่าแต่ล้านครั้งเลยแล้วทําอย่างนี้มาอย่างต่อเนื่องอย่างไม่มีวันหยุดท้าวตจาอย่าบอกว่าถ้าอยากจะรู้ว่า การที่เราได้มาเกิดมาวุ่นวายอย่างเนี้ยกี่รอบแล้วก็ให้เอาน้ําตาที่เราร้องไห้ในแต่ละรอบเนี่ยมารวมกันเอะบอกว่าน้ําตาที่เราได้เนี่ยมันจะมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรนะก็คิดดูว่าเรากลับมาวุ่นวายกับเรื่องราวเหล่านี้กี่ครั้งทุกครั้งที่เรามาเกิดเราก็จะมาวุ่นวายกับเรื่องราบยศจละเสิน เรื่องคนนั่นคนนี้เรื่องสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปจนถึงวันตายตายแล้วก็กลับมาวุ่นวายใหม่เพราะเราอยู่ปราศจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเหมือนลมหายใจของจิตใจต้องมีลาบยศสรรเสริญมาให้เราได้ครอบครองให้เรามีรูปเสียงกลิ่นรสมาครอบครองเป็นสมบัติ เป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราแต่มันเป็นสมบัติชั่วคราวมันเป็นความสุขชั่วคราวที่ทำให้เราต้องคอยหามาเติมมาเพิ่มอยู่ได้เรื่อ ย, เ, อยเวลาได้มาก็ดีใจเวลาสูญเสียไปก็เสียใจทุกข์ใจชีวิตของเราก็เลยไม่พ้นจากความทุกข์ถึงแม้จะได้ความสุขม า, มากน้อยเพียงไร เดี๋ยวก็ความความทุกข์มันก็ตามมาต่อไปเพราะความสุขที่เราได้มันเป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หมดไปเดี๋ยวมันก็จากไปถ้าเราไม่จากเราไปเราถึงเวลาร่างกายตายไปเราก็ต้องจากมันไปต่อให้เป็นมาเสด็จีอันดับหนึ่งของโลกเดี๋ยวร่างกายตายไปก็ต้องจากทรัพย์สมบัติของตนเองไปทั้งหมดไม่มีใครเอาอะไรไปได้ แต่พอจากไปก็จะกลับมาหามันอีกมาหาใหม่มาเริ่มรอบใหม่จะกลับมาหาของเก่าไม่ได้เพราะของเก่าเป็นของคนอื่นไปแล้วอย่างเราตายไปนสมบัติเป็นของลูกหลานที่เราเป็นทายาิของเราสมมติถ้าเรากลับมาเกิดอีกเก้าเดือนกลับมาเกิดแล้วมาทวงคืนเขาก็ไม่ให้เราแล้วเขาก็ไม่เชื่อว่าเราเป็นเจ้าของสมบัติเพราะเราเปลี่ยนหนางกายไปแล้ว ร่างกายของเราที่เขาคิดว่าเป็นเรานี่ตายไปแล้วร่างกายที่เราได้มาใหม่มันไม่ได้เป็นคนที่เขารู้จักแล้วเขาก็ไม่เชื่อถึงแม้เราจะยืนยันบอกทุกอย่างได้ถูกต้องเขาก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีเพราะถึงแม้เขาเพราะถ้าเขาเชื่อเขาก็ต้องยกสมบัติคืนให้เราเขาก็ไม่อยากจะยกสมบัติคืนให้เราเออดังนั้นนี่แหละ คือเรื่องของปัญหาของของจิตใจของพวกเราจิตใจของพวกเราวนเวียนอยู่กับการหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสอย่างนี้ไปทุกภพทุกชาติไม่มีวันสิ้นสุดจึดกาจะมาพบคนฉลาดคือพระพุทธเจ้าที่ทรง ค้นพบว่าตัวที่คอยผลักดันให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันมาหาลาบยศสรรเสริฐกันทุกภพทุกชาตินี่ก็คือกิเลสตัณหานี่เองที่มันอยู่ภายในใจของเราและสองค้นพบวิธีที่จะหยุดกิเลสตัณหากำจัดกิเลสตัณหาด้วยการฝึกสมาธิด้วยการฝึกปัญญานี่ ถ้าเรามีสมาธิมีปัญญาเราก็จะสามารถที่จะหยุดกิเลสหยุดตัณหาได้อย่างถาวรสมาธินี้ก็จะหยุดเป็นพักๆไปหยุดแบบถาวรไม่ได้แต่ถ้ามีปัญญาก็จะหยุดได้อย่างถาวรตอนต้นก็ใช้หยุดแบบสมาธิก่อนอกนั่งสมาธิ หนึ่งใจให้กับเข้าข้างในไม่ให้ไปหาลาบยศสรรเสริญไม่หารูปเสียงกลิ่นลดมาเสพให้มาเสพกับความสงบแทนพอนั่งสมาธิมีสติดูลมหายใจหรือมีสติอยู่กับพุทโธพุทโธเหน๋ยวใจก็นิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาพอใจนิ่งสงบก็เกิดความสุขขึ้นมาทําให้ ตอนนั้นไม่ต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องไปหาราบยศสนรเสริญแต่พอออกจากสมาธิมาใจก็เริ่มกลับไปคิดถึงราบยศสนรเสริญเพราะกิเลสยังไม่ได้ถูกทำลายด้วยสมาธิกิเลสเพียงแต่ถูกหยุดไว้ชั่วคราวด้วยกำลังของสติแต่พอออกจากสมาธิมากิเลสก็จะกลับมาทำงานต่อ จะหลอกล่อให้ใจกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสไปหาราบยศสรรเสริญ แ, แต่ถ้าเรารู้ทันว่าการกลับไปหาราบยศสรรเสริญกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นการหาความทุกข์เราก็จะพยายามที่จะต่อสู้กับความอยากเหล่านี้ก็การเห็นว่ามันเป็นความทุกข์นี่แหละมันเรียกว่าเป็นปัญญา ถ้าไม่เห็นว่ามันเป็นความทุกข์ถ้าเห็นว่ามันเป็นความสุขถ้าเห็นว่าได้เงินแล้วเป็นความสุขถ้าเห็นว่าได้ตำแหน่งนแล้วเป็นความสุขได้รางวัลแล้วเป็นความสุขได้เที่ยวได้ดูได้ฟังแล้วเป็นความสุขก็แสดงว่ายังหลงอยู่เมื่อหลงอยู่มันก็จะแทนที่จะห้ามใจไม่ให้ไปหาราบยศสารเสรงไปหารูปเสียงกลิ่นรสมันก็ จะกลับไปหาต่อบางคนมาฝึกสมาธิอยู่ห้าวันสิบวันพอกลับไปบ้านก็กลับไปหาราบยศสนรเสริญใหม่เพราะว่าลืมไปยังไม่รู้ว่าราบยศสารเสวน์นี่มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขสุขก็เป็นสุขปลอมสุขแบบเป็นหลุมพรางสุขกำพรางความทุกข์ไว้เพราะว่า สิ่งต่างๆที่เราได้มาให้ความสุขกับเราเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนไปหรือมันก็ต้องหมดไปเวลามันเปลี่ยนไปมันหมดไปมันก็ทําให้ใจเราทุกข์อันนี้าจะต้องเกิดปัญญาตรงนี้ให้ได้จะต้องเห็นว่าการกลับไปหาความสุขจากราบยศสะละเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นการกลับไปหาความทุกข์เนี่ยถ้าเราเห็นตัวนี้ ถ้าเราไม่เห็นเองเราก็อาศัยการเห็นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนเราบอกพวกเราว่าลาภยศสารเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันเป็นทุกข์นะทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงมันเป็นสมบัติชั่วคราวอยู่กับเราได้บางระยะหนึ่งแล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็จะจากเราไป พอเวลาจากไปความสุขที่ได้จากมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเห็นไหมเวลาคนสูญเสียสิ่งที่รักไปสูญเสียคนที่รักไปเป็นอย่างไรน้องห่มร้องไห้กันเวลาได้สิ่งที่รักมาได้คนที่รักมาดีใจกันมีความสุขกันพอเวลาเสียไปก็เกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเสียใ จ, จยตามมา แล้วก็ไม่มีใครไปสั่งไปห้ามว่าไม่ขอให้เขาไม่จากเราไปไม่ได้ถึงเวลาเขาจะจากไปเขาก็จากไปเฉยๆอย่างนั้นนี่แหละคือปัญญาถ้าเราเห็นด้วยปัญญาคือเห็นใจรักในลาบยศ ส, สรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราก็จะหยุดมันได้ คือเราจะไม่ทําตามเพราะเหมือนกับเรามีคนมาบอกเราว่าเครื่องดื่มที่เราดื่มกันอยู่เนี้ที่เราดื่มประจําทุกวันเนี่ยมันมีสารก่อมะเร็งอยู่ถ้าดื่มไปแล้วเดี๋ยวต้องเป็นมะเร็งขึ้นมาในร่างกายเยตอนต้นไม่รู้เราก็ดื่มกันดื่มแล้วมันมีความสุขเนี่ย แต่พอมีนักวิจัยเข้าไปค้นคว้าพบว่าเนี่ยคนที่เป็นมะเร็งส่วนใหญ่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มชนิดนี้พรอรู้ทีนี้ก็ามาประกาศติดป้ายไว้บอกเครื่องดื่มชนิดนี้อันตรายเราก็จะไม่กล้าดื่มต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเป็นผู้นักวิจัยทรงวิจัยค้นพบว่าลาบยศสระเสริญ รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่พวกเราเสกกันนี่มันเป็นมีสารก่อมะเร็งมีมีสารที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราสารที่ทําให้ใจเราทุกข์ก็คือก็คืออนิจจงมันไม่เที่ยงสองอนัตตามันจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดไม่ได้เป็นของเราไปตลอดจะต้องมีวันหนึ่งที่มันจะกลายเป็นของ คนอื่นไปไม่ใช่เป็นของเราไปมันจะต้องจากเราไปเ น, นี่พอเรารู้ว่าลสิ่งที่เราได้มาเดี๋ยวมันจะต้องทําให้เราทุกข์ทุกข์มากกว่าความสุขที่เราได้เราก็ไม่เอาดีกว่าเนี่ยคนที่มีปัญญาคนที่เห็นใจรักนี่จะไม่กลับไปหาลาบยศสนเส ร, ริญจะไม่กลับไปหารูปเสียงกลิ่นรส จะอยู่กับความสงบดีกว่าหาความสุขจากความสงบดีกว่าอันนี้แหละเป็นวิธีที่จะกําจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปความโลภก็เกิดความโลภก็เกิดจากความหลงนี่ความหลงที่ไม่เห็นว่าสิ่งที่เราโลภเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเราได้ปัญญาจากพระพุทธเจ้าเราก็จะ เห็นว่าสิ่งที่เราโลภเราอยากได้นี้มันจะพาให้เราต้องไปทุกข์พาให้เราไปร้องหลมร้องไห้อย่างที่เราเป็นกันทุกวันเนี้ยที่เรามาร้องหม่มร้องไห้ก็เพราะความหลงมันหลอกให้เรามาเกิดกันมาหาลาบยศสรรเสริญมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกันแล้วพอเราสูญเสียลาบยศสรรเสริญสูญเสีย รูปเสียงกิดลดไปเราก็มาเศร้าโศกเสียใจร้องหม่มร้องห้กันที่เรามาเกิดนีเพราะเรายังหลงอยู่เรายังไม่เห็นว่าราบยศสรรเสริญรูปเสียงกิดนี้มันเป็นทุกข์มันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันไม่มันไม่เป็นของเราไปตลอดมันเป็นของเราเพียงชั่วคราว พอเราได้มาเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะสอนเราบอกว่าเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสราบยศรเสริญเนี่ยมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันจะไม่ได้เป็นของเราไปตลอดถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปเอามันมาอย่าไปยุ่งกับมั น, นเราสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีราบยศจรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรส ขอให้เรามีความสงบเท่านั้นเราก็จะมีความสุขได้แล้วเป็นความสุขที่ปลอดภัยเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเพราะความสุขแบบนี้มันไม่ได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นนิจจังสุขขังอัตตามันเป็นของเรามันอยู่กับเราไปตลอดมันจะให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่มีวันเปลี่ยนแปลง นี่หละคือปัญญาของพระพุทธเจ้าถ้าเราเชื่อแล้วทำตามที่พุทธเจ้าสอนเราก็จะเข้าถึงความสุขนี้ได้วิธีที่จะเข้าถึงความสุขนี้ได้ก็ต้องดึงใจให้กลับเข้ามาข้างในให้ปล่อยวางการหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสเห็นไหมพระพุทธเจ้าเป็นคนทำเป็นตัวอย่าง เมื่อก่อนพระพุทธเจ้าก็หลงก็อยู่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสแต่พอมาวันหนึ่งก็เกิดปัญญาขึ้นมาว่าการจะหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสนี้ต่อไปมันจะมีอุปสรรคเพราะร่างกายมันจะแก่จะเจ็บแล้วก็จะตายนั่นเองพอเห็นความแก่ความเจ็บความตายที่วันนี้โดยเสียงมันเดี๋ต้อง อันนั้นพงเป น, นี้หน่อ ย, นะอย่าย่หพระพุทธเจ้าก็เหมือนพวกเราเมื่อก่อนนี้ตั้งก็หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญเป็นเจ้าชายเมือมีปราสาทสามฤ ด, ดูสมัยนี้คนรวยก็มีบ้านหลายหลังมีบ้านในเมืองมีบ้านที่ภูเขามีบ้านที่ชายทะเลนึกอยากจะไปอยู่บรรยากาศแบบไหนก็เปลี่ยนได้ สมัยพพระพุทธเจ้าก็มีสามฤดูฤดูหนาวก็ไปอยู่บ้านที่ไม่หนาวไปอยู่ที่ไม่หนาวฤดูฝนก็ไปอยู่ที่ไม่มีฝนฤดูร้อนก็ไปอยู่ที่ไม่ร้อนเนี่ยก็เลยมีบ้านสามฤดูเพื่อให้ร่างกายได้พบกับความสุขตลอดปีถ้ามีหลังเดียวเดี๋ยวพอมันร้อนขึ้นมาก็ กระทุกหรือมันฝนตกก็ทําอะไรไม่ได้แต่ถ้ามีสามหลังนี่เปลี่ยนได้ถ้าหน้าหนาวก็ไปอยู่ที่ที่ไม่หนาวหน้าร้อนก็ไปอยู่ที่ที่ไม่ร้อนหน้าฝนก็ไปอยู่ที่ที่ไม่มีฝนเนี่ยก็เลยมีปร า, าสาทสามฤ ด, ดูไว้คอยเปลี่ยนอย่างในหลวงเราใช่ไหมท่านก็มีบ้านมีวังอยู่หลายที่อยู่ อยู่ที่หัวหินก็มีอยู่ที่เชียงใหม่ก็มีอยู่ที่อีสานก็มีมีเปลี่ยนแปลพระราชฐานนะ<ม>ย้ายที่อยู่เพราะว่าที่อยู่แต่ละที่มันจะมีข้อจำกัดในการให้ความสุขเพราะว่ามันถูกอากาศมาทำให้ไม่สามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาก็เลยต้องมีการเปลี่ยน ที่อยู่เพื่อที่จะได้อมีความสุขได้ตลอดเวลาแต่ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนสิ่งสถานที่ได้แต่สิ่งที่เราเปลี่ยนไม่ได้ก็คือร่างกายของเราเนี่ยร่างกายของเราต่อไปมันจะต้องแก่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะต้องตายเนี่ตอนนั้นการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสก็จะเป็นไปแบบทุรักทุเลจนกระทั่งเป็นไปแบบเป็นไปไม่ได้นี่นหละพระพุทธเจ้าจงพิจารณาด้วยปัญญาว่าการหาความสุขจากราบยศสรรเสริญสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันมันไม่แน่นอนมันไม่ตายตัวมันไม่ถาวรมันจะต้องมีปัญหามีอุปสรรค ไม่ช้าก็เร็วก็เลยส่งเลือกหาวิธีหาความสุขแบบใหม่ส่งเห็นนักบวชพวกนักบวชก็ได้ยินว่าเขาหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ลาบยศสารเสริญไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสก็เลยลองไปก็เลยตัดสินใจสละราชาสมบัติแล้วก็ไปบวชไปอยู่กับพวกนักบวช แล้วก็ไปห า, หาความสุขแบบนักบวชก็ความสุขจากการดึงจิตให้เข้าข้างในนี่เองดึงจิตให้ออกจากลาบยศสารเสิร์ญถึงแม้ว่าจะดึงร่างกายออกจากล า, าบยศสารเสิร์ญแล้วแต่ถ้าไม่คอยดึงจิตไว้เดี๋ยวจิตมันก็ดึงใจดึงร่างกายให้กลับไปหาราบยศสาะเสิร์ญได้ใหม่นพวกคนที่มาบวชแล้วกลับไปบ้านเนี่ยแสดงว่ายังถูก ความหลงความโลภดึงกลับไปอยู่พวกที่ไม่กลับเท่านั้นน่ะเป็นพวกที่มีกำลังที่จะสู้กับกิเลสที่จะคอยดึงให้ใจดึงร่างกายให้กลับไปหาลาบยศสารเสญสุขใหม่กันพวกที่บวชจนในที่สุดไม่สึกไม่กลับไปอยู่แบบคาลวาะแล้วก็ได้พบกับความสงบที่ถาวรถึง เป็นพวกที่เอาชนะกิเลสได้พวกที่ทำลายกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆได้ด้วยการปฏิบัติทำสองระดับคือสมาธิและปัญญานี้เองนี่แหละคือเรื่องของเรื่องของศาสนาสอนแค่นี้สอนไม่ไม่ต้องกว้างไกลไม่ต้องรู้มากอก ความรู้ต่าง ๆ, ๆที่พระพุทธเจ้าสอนมันก็มีหลากหลายหลายระดับด้วยกันแต่ถ้ามาพูดถึงระดับที่สำคัญจริงๆก็มีแค่ระดับสติสมาธิและปัญญานี้เท่านั้นเองส่วนความรู้ระระดับอื่นก็รู้เพื่อให้ดึงจิต ด, ดึงใจให้เข้ามาสู่การปฏิบัตินี้เท่านั้นพอเข้ามาสู่การปฏิบัติแล้วก็ มีตัวเดียวที่สำคัญก็คือสติกับปัญญานี่ท่านเอง <c oughs> คอยสร้างสติคอยมีดึงจิตให้อยู่ในความสงบแล้วก็ใช้ปัญญาสอนเวลาจิตดือ้อเวลาจิตยังอยากจะกลับไปหาลาบยศสารเสริญก็คอยสอนคอยบอกว่ากลับไปก็ไปหาความทุกข์นะเพราะลาบยศสารเสรินสุขนี่มันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยง เพราะมันไม่เป็นของเราไปตลอดเท่านั้นแหละพอเห็นด้วยปัญญามันก็จะไม่กลับไปมันก็อยู่กับความสงบดีกว่าเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ฝืนมันสอนมันพอสอนว่ากลับไปหาความทุกข์มันก็ไม่เอาไม่มีใครอยากจะเจอความทุกข์เหมือนถ้าอยากจะกลับไปดื่มเครื่องดื่มที่มีสาร ก่มะเร็งพอรู้ว่าดื่มนี้แล้วต้องเป็นมะเร็งไม่มีใครอยากจะดืม่มหรอกต่อให้เขาแจกฟรีก็ไม่อยากจะดืม่ม น, นี่ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติตัวเลือกมันง่ายแต่ตัวปฏิบัติมันยากเพราะว่ากว่าจะสามารถสร้างสติดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้นี่ก็ลิ้นห้อยะ ถ้าเปียกก็เหมือนกับการปีนภูเขาหิมาลัยดีๆนี่ต้องใช้ความเพียรพยายามมากคนที่อยากจะปีนไปสู่ยอดเขาหิมาลัยเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีความเพียรพยายามมีความอดทนมีความกล้าหาญฉันใดผู้ที่ต้องการที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบนี้ก็ต้องมีความเพียรพยายามมากต้องมีความอดทนมาก เพราะว่ากิเลสมันจะคอยดึงให้กลับไปหาราบยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสอยู่เรื่อยๆนล้ ว, วลมันจะอ้างเหตุผลนานาประการเดี๋ยวพ่อบ้างเดี๋ยวแม่บ้างเดี๋ยวลูกบ้างเดี๋ยวสมบัติบ้างเดี๋ยวงานบ้างโอ้ยมันมีมีกลอุบายเยอะแยะไปหมดในการที่จะหลอกให้จิตนี้กลับออกไปหาราบยศสรรเสริญ มาอยู่ว่าได้ไม่กี่วันเดี๋ยวก็มีคนโทรมาตามนะมีคนเรียกตามหานะว่ากำลังขาดนู่นขาดนี่เราเป็นผู้ปกครองเราก็ต้องกลับไปดูแลไปดูแลลูกบางไปดูแลกิจกรรมกิจการธุกรกิจอะไรต่างๆถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็จะกลับ แต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะเห็นว่ามันกลับไปหาทุกข์กลับไปทําไมปล่อยให้เขาอยู่ของเขาไปอย่างนั้นวิธีง่ายที่สุดสําหรับคนที่มีปัญญาเ<ๆ>ขาคิดอย่างนี้คิดว่าถ้าเกิดวันนี้เราตายไปแล้วแล้วพวกนี้เขาจะอยู่กันอย่างไรเขาก็ต้องอยู่ของเขาไปใช่ไหมก็ไม่ต้องมาเมือ่อเขาพึ่งเราไม่ได้เขาก็ต้องพึ่งตัวเขาเองแล้วก็วต้องไปพึ่งคนอื่นต่อไปเท่านั้นเอง เราไม่มีความสำคัญอะไรกับเขามากเกินไปเราพอเราตายไปเขาก็ต้องไปหาคนอื่นมาเพึ่งหรือไม่เช่นนั้นเขาก็ต้องหัดพึ่งตัวเขาเองอยู่ได้อย่างถ้าเราอยากจะตัดจริงๆเราต้องสมมติว่าเราตายจากเขาไปถ้าคิดว่าเราตายจากเขาไปแล้วก็ไม่ต้องกลับไปเขาก็ต้องอยู่ของเขาไปทรัพย์สมบัติของเรามีอยู่ก็ยกให้เขาไปให้หมดเนี่ยเรา ปัญหาคือเรายังหวงสมบัติอยู่หรือเปล่ปายังหวงยังยังต้องการใช้สมบัตินั้นอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังต้องการใช้ยังหวงอยู่ก็แสงดงว่าเรายังหลงอยู่ยังคิดว่าความสุขจากการใช้สมบัตินี้เป็นความสุขไม่คิดว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็สมบัตินี้หมดไปหรือหายไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอ่านี่เกิเรื่องของ การปฏิบัติการเรียนรู้มันไม่มันไม่ยากแต่การนำอาอกไปปฏิบัติเนี่ยมันยากเพราะว่ามันเป็นการสวนกระแสของความรู้สึกนึกคิดของเราความรู้สึกนึกคิดของพวกเรานี้คิดหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกดลิ่นรสกันทั้งนั้นพอจะมอบอกให้เลิกหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกดลิ่นรสนี้ มันบอกว่าไม่ไหวนะเหมือนคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยแล้วบอกให้เราเลิกเสพยานี้ไม่ไหวนะอย่าาว่าแต่ยาเสพติดเลยสิ่งที่เสพติดแบบไม่ใช่เป็นยาเสพติดก็เลิกกันไม่ก็ได้เช่นกาแฟเนี่ยขายติดกาแฟดูแล้วบอกให้เลิกกาแฟดูเ่ยขายติดละครแล้วบอกว่าให้เลิกดูละครดูเ่ย ขายติดอะไรนี้เราไปบอกให้เขาเลิกนี่โหไม่ไหวพอไม่ได้ทำน้ํามันหงุดหงิดมันลำคาญใจมันไม่มีความสุขมันมันยอมเสี่ยงกับความทุกข์คือตอนนี้ยังไม่ทุกข์ขอเสพไปก่อนเดี๋ยวถึงเวลามันเสพไม่ได้จริงๆแล้วจะทุกข์ค่อยว่ากันใหม่แต่ตอนนั้นมันก็สายเกินไป แล้วก็อาจจะแก้โดยวิธีไม่ถูกก็คือฆ่าตัวตายกันคนที่อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสได้แล้วทีนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรดีก็ฆ่าตัวตายเพราะทนอยู่กับความทุกข์ไม่ไหวทนอยู่กับการขาดรูปเสียงกลิ่นรสขาดลาบยศสรรเสริญไม่ได้ก็ฆ่าตัวตาย แต่การฆ่าตัวตายก็เป็นการแคบแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุก็คือความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นนสดอยากหาราบยศสรรเสริญยังไม่ได้ถูกกำจัดไปตายไปเดี๋ยวก็กลับมาเกิดใหม่อยู่ดีแล้วก็กลับมาเจอปัญหาเดิมอยู่ดีกลับมาเสพรูปเสียงกลิ่นนสดอยู่ดีวิธีแก้ปัญหาต้องมาแก้ที่ตัวความอยากนี้เอง ความอยากหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็ต้องมาปฏิบัติสมาธิต้องมารักษาศีลมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาเนี่ยทำไมต้องรักษาศีลศีลจะได้ห้ามไม่ให้เราไปทําอะไรที่ทําให้เราไม่มีเวลามาปมาปฏิบัตินั่นเองถ้าเราไปทําบาปเดี๋ยวก็ต้องไป มีเรื่องวุ่นวายกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวเราก็ไปดูละครได้ไปเที่ยวได้ไปดูหนังฟังเพลงได้ไปนอนกับแฟนได้เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาฝึกสติมานั่งสมาธิกันในเบื้องต้นเราจึงต้องมาหัดรักษาศีลให้ได้กันหยุดการกระทำอะไรต่าง ที่ไม่จําเป็นอย่าไปทํามันทําแล้วเกิดความเสียหายเดือดร้อนวุ่นวายจะทําให้เราไม่สามารถที่จะมานั่งสมาธิทําใจให้สงบได้เห็นเบื้อ ง, งต้นต้องรักษาศีลให้ได้ก่อนรักษาศีลห้าแล้วก็รักษาศีลแปดพอรักษาศีลแปดได้เราก็จะมีเวลามีกําลังเพราะอย่างน้อยเราห้ามใจได้ในระดับหนึ่งแล้ว คือห้ามไม่ให้ไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญสุขได้แม้ว่ายังเป็นห้ามการห้ามอยู่ที่ปลายเหตยุยังไม่ได้ไปห้ามที่ต้นเหตุคือใจแต่อย่างน้อยพอใจอยากจะเสพบรูปเสียงกิน่นรสเราก็บอกว่าวันนี้ทำไม่ได้วันนี้เราถือศีลแปดจะกินอาหารหลังเที่ยงวันก็ไม่ได้จะร่วมหลับนอนกับแฟนก็ไม่ได้ จะดูหนังฟังเพลงก็ไม่ได้จะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็ไม่ได้นะอย่างน้อยเราก็มีจุดเริ่มต้นนะเริ่มต้นที่ศีลก่อนรักษาศีลก่อนถึงแม้ว่าจะไม่สามารถรักษาได้ทุกวันในเบื้องต้นก็เอาอาทิตย์ละหนึ่งวันก่อนก็ยังดนะีเช่นวันพระนี่เป็นวันที่เราชาวพุทธเรานิยมมารักษาศีลกันมาอยู่วัดกัน มาหยุดกิจกรรมทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นลดกันอย่างน้อยก็ขอให้เริ่มต้นที่หนึ่งวันก่อนถ้าเราทำหนึ่งวันได้แล้วเราเห็นผลดีว่าออจิตใจเราเย็นขึ้นมีความสุขสบายใจมากขึ้นออไม่วุ่นวายไม่วุ่นวายกับเรื่องลาบยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นลดกับคนนั่นคนนี้กับเรื่องนั่นเรื่องนีออ้ก็อาจจะอยากจะทาเพิ่มขึ้น ต่อไปก็อาจจะเพิ่มเป็นสองวันเป็นสามวันถ้าทำไปยิ่งมากก็ยิ่งได้ความสงบมากขึ้นได้ความสุขมากขึ้นนั่งสมาธิจิตก็จะสงบเข้าไปลึกขึ้นนานขึ้นนิ่งมากขึ้นความสุขก็มีมากขึ้นจนวันหนึ่งเราสามารถเข้าถึงความสงบได้เต็มที่ถ้าเราได้ถึงความสงบที่เต็มที่แล้วเทนี้มันจะ ติดอกติดใจนะทีนี้มันไม่อยากจะได้ความสุขแบบอื่นนะทีนี้หละมันก็อยากจะออกบวชหรืออยากจะไปอยู่วัดไปปฏิบัติอย่างเต็มที่แนละ้วไม่อยากจะยุง่งไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราบยศสารเสรินเรื่องรูปเสียงกลิ่นนสดต่างๆแล้วอันนี้มันต้องเกิดมันต้องปฏิบัติจากน้อยไปหามากก่อน เพราะกำลังเราเวลาเราเริ่มต้นมันมีไม่มากพวกที่เขาปีนเขาเนี่ยเขาก็ไม่ปีนแบบขึ้นถึงยอดทันทีตอนนเขาหัดปีนเขาเล็กๆ ก, ก่อนเขาง่ายๆก่อนพอรู้จักวิธีปีนเร้ว ม, มีกำลังวังชามากขึ้นเขาก็ไปหาเขาที่สูงขึ้นยากขึ้นไปซ้อมไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆ เดี๋ยวในที่สุดเ้าก็มีกำลังมีความสามารถถ้าจะปีนยอดเขาหิมลาลัยได้อันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์การกำจัดความอยากต่างๆความโลภต่างๆให้หมดไปจากใจก็ต้องทาจากน้อยไปหามากก่อนทำตามกำลังของเราตอนนี้เรารักษาสี่ห้าได้หรือ ย, อยัง ถ้ายังไม่ได้ก็มาลองรักษาศีห์ห้ากันในวันพระดูพอรักษาศีห์ห้าได้ในวันพระแล้วก็อาจจะเพิ่มเป็นสองวันสามวันต่อไปก็รักษามันทุกวันก็ได้สิห์ห้าที่มันยากสำหรับคนบางคนก็คือดื่มสุลาคนที่ติดสุร่าก็จะรู้สึกว่าการรักษาศีล์ห้านี่มันยากมากคนที่ติด ชอบพูดโกหกก็จะรู้สึกว่ารักษาสินห้ามันยากคนที่ชอบขี้โกงชอบรักทรัพย์ชบโกงก็จะรู้สึกว่ารักษาสินห้ามันยากแต่ถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่สามารถที่จะก้าวหน้าได้ไม่สามารถที่จะพาให้เราออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ เราต้องมีอะไรมาคอยลอดใจเราให้มีกำลังไม่มีความกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่เรายังทำไม่ได้อยู่สิ่งที่จะมาลอใจก็คือเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนี่เรื่องความความแก่ความเจ็บความตายที่มันรอเราอยู่ข้างหน้าเนเวลาแก่มันไม่สบายนะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่สบายไงเวลาจะตายมันไม่สบาย ถ้าเราไม่มาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าส่งสอนเราจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างนี้ไปเรื่อยให้เราคิดอย่างนี้พอคิดอย่างนี้มันก็จะทําให้เรามีกําลังใจที่จะมาต่อสู้กับกิเลสของเราคือกิเลสนะั้นไม่ชอบรักษาศีลเราก็ต้องมารักษาศีลเพราะการรักษาศีลเป็นการ ลดการเคลื่อนไหวของกิเลสนั่นเองลดความอยากลดความโลภของกิเลสเราต้องพยายามทำให้ได้ของต่างเหล่านี้คนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้เพราะเขาก็เหมือนเราเขาก็มีร่างกายเหมือนเราเขาก็มีจิตใจเหมือนเราต่างกันตรงที่เขามีความตั้งใจมีความพยายาม เขามีปัญญาเขารู้ว่าถ้าไม่รักษาศีลก็จะไม่มีวันที่จะแก้ปัญหาที่เขามีอยู่ในขณะนี้ได้คือปัญหาของการเวียนว่ายตายเกิดปัญหาของการเกิดแก่เจ็บตายนี่เองมันจะไม่มีวันหมดไปถ้าเราไม่เข้าสู่การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็เหมือนกับ คนที่ต้องการได้รับปริญญาเขารู้ว่าเขาต้องไปโรงเรียนอย่างพ่อแม่อยากให้ลูกได้ปริญญาพ่อแม่ก็ต้องส่งลูกไปเข้าอนุบาลใช่ไหมพอพอพอมีอายุเข้าโรงเรียนอนุบาลได้ก็ต้องบังคับให้ลูกไปแล้วถ้าถามความสมัครใจลูกไม่ไปแล้วลูกไปโรงเรียนั้ยหรือจะอยู่บ้านอยู่บ้านเลยไม่อยากไป เห็นไหมวันแรกไปโรงเรียนร้องห่มร้องไห้กันเพราะไม่ได้อยู่ใกล้แม่แล้วไม่เห็นหน้าแม่ไม่เห็นหน้าพ่อไปอยู่กับคนแปลกหน้ากลัวไปหมดก็จะไม่อยากไปโรงเรียนแต่พ่อแม่เห็นประโยชน์ของการไปโรงเรียนถึงต้องบังคับไม่ตามใจลูกอันนี้ก็เหมือนกันเราต้องไม่ตามใจกิเลสของเรา เราต้องเห็นประโยชน์คุณประโยชน์ของการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาว่ามันจะแก้ปัญหาที่เรากําลังมีอยู่กันอยู่ในขณะนี้คือปัญหาการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นเนี่ยมันจะไม่มีวันแก้ได้ถ้าเราไม่เข้าสู่การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเหมือนกับการที่จะให้ลูกของเราได้อยู่ดีกินดีต่อไปในอนาคต เขาก็ต้องเรียนจบปริญญากันพอเขามีปริญญาแล้วทีนี้เขาก็ไปสมัครงานหางานทำได้มีรายได้มีอาชีพที่สุดจริตไม่ต้องไปทำบาปไม่ต้องไปทำผิดกฎหมายเขาก็จะมีความอยู่อย่างมีความล่มเย็นเป็นสุขเนี่ยเราต้องเห็นผลที่จะตามมาจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาจะกําจัดการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้จะทําให้เราได้พบกับความสุขแบบที่ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายกันความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านได้รับกันคือความสุขของพา น, นิพานเราต้องมองแบบนี้ต้องมองแบบเหมือนส่งลูกเราไปเรียนหนังสือเพื่อให้ได้ไปเรียนจบปริญญา เราก็เหมือนกันเราก็ต้องส่งจิตใจเราไปเรียนหนังสือกันขั้นตอนก็ไปเรียนอนุบาลคือไปรักไปเรียนวิธีรักษาศีลกันไปรักษาศีลห้าอัดถือศีลห้ากันพอถือศีลห้าได้แล้วก็ให้ไปเพิ่มเป็นศีลแปดพอรักษาศีลแปดได้ทีนี้ก็จะมีเวลาที่จะไปฝึกสมาธิได้ การจะฝึกสมาธิก็ต้องฝึกสติก่อนเพราะสมาธินี้แปลว่าความสงบความนิ่งของใจใจจะนิ่งจะสงบได้ต้องมีสติเป็นตัวคอยหยุดความคิดเพราะความคิดนี้เป็นตัวที่ทาให้ใจไม่นิ่งเีรเร่าตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเดี๋ยวนี้ใจเราเคยหยุดคิดไหมคิดมาอย่างต่อเนื่องเราก็เลยไม่เคยพบกับความสงบว่าเป็นอย่างไร ไม่รู้ว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ดีอย่างไรเพราะเราไม่เคยหยุดความคิดของเราถ้าเรามาหัดหยุดความคิดของเราเดี๋ยวแม่ช้าก็เร็วใจของเราก็จะหยุดคิดใจก็จะนิ่งเป็นสมาธิขึ้นมาพอใจนิ่งสงบเป็นสมาธิใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาแล้วจะค้นพบความสุขที่วิเศษกว่าความสุขทั้งปวง ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ในใจของเราเองอยู่ในตัวของเราเองอยู่ในใจที่สงบที่เกิดจากการใช้สติคอยควบคุมคอยหยุดความคิดต่างๆเท่านั้นเองไม่ยากเย็นอะไรเลยเนี่ยพอเรารักษาศีนแปดได้เราก็มีเวลาแล้วมีเวลาที่จะมาฝึกสติคอยควบคุมความคิดหยุดความคิด สตินี้ก็มีหลายวิธีด้วยกันการที่จะใช้สติหยุดความคิดนี้มีต้องสี่สิบวิธีเรียกว่ากรรมฐานสนะี่สิบในเบื้องต้นนี้ท่านจะสอนวิธีง่ายๆคือวิธีของอนุสติสิบนะอนุสติสิบเช่นพุทธานุสติก็คือให้ราลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างที่เราสวดมนต์กันนี่เรากำลังจเจริญสติพุทธานุสติ ถ้าเราสวดบทธรรมคุณก็เรากำลังเจริญธรรมานุสติถ้าเราสวดบทสังฆคุณเราก็กำลังเจริญสังขานุสังขานุสติแต่ที่พวกเราสวดกันนี้มันสวดแบบจิบจอยสวดแบบงูลแลบเล่นสวดจบเดียวก็เลิกละมันก็เลยหยุดความคิดไม่ได้การที่จะหยุดความคิดได้นี้มันต้องสวดไปจนกว่าความคิดมันจะหยุดนะ อันนั้นนะมันยากตรงนั้นถ้าเราสวดไปเรื่อยๆสวดมันไปทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนคิดอยู่ในใจสวดอยู่ในใจไม่ต้องออกเสียงถ้าออกเสียงแล้ว เ, เดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่เคารพไม่สุขไม่เรียบร้อยเพราะพระพุพพทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นที่สูงเวลาเราจะสวดออกเสียงนี่เราต้องอยู่ในท่าที่เรียบร้อยถ้านั่งขัดสมาธ เริมถ้านั่งพับเพียบประนมมือแต่ถ้าเราสวดในใจนี้เราไม่ต้องเราสามารถสวดได้ตลอดเวลาเพราะการควบคุมความคิดต้องควบคุมตลอดเวลาเพราะความคิดมันคิดอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่มาคิดแต่เฉพาะเวลาที่เรานั่งสวดมนต์เท่านั้นมันคิดทั้งวันถ้าเราไม่หยุดมันมันก็จะไม่มีวันที่จะนิ่งจะสงบได้เย เราต้องมาฝึกใช้สติหัดมาเจริญพุทธานุสติถ้าการสวดมันยาวก็ย่อดได้ให้ใช้ชื่อของพระพุทธเจ้าแทนก็ได้เช่นใช้พุทธโธพุทธโธพุทธโธไปให้เราบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปช้าก็ได้เร็วก็ได้ไม่เป็นไรขอให้มันมีอะไรมาคอยสกัดความคิด ถ้าเราอยู่กับพุทธโธเราก็จะไปคิดหาราบยศสารเสวนฝนตกแล้วใครอยู่ข้างนอกก็เตรียมหาที่ได้แล้วนะมาจริงๆเข้ามาในศาลานี้ก็ได้หรือไปศาลาข้างหลังก็ได้มีหลังใหญ่อยู่ข้างหลังในเบื้องต้นจึงต้องรักษาศีลให้ได้ เพราะรักษาศีลได้เราก็จะได้มีเวลาถ้าไม่รักษาศีลก็เดี๋ยวก็ไปทำอะไรต่างๆได้ดูหนังฟังเพลงได้กินอาหารกี่มือ้อกี่เวลาก็กินได้จะทำอะไรก็ทำได้มันก็จะทำให้ไม่มีเวลาอย่างนถ้าต้องการที่จะมาฝึกสติมานั่งสมาธินี้ต้องถือศีลแปดแล้วก็จะมีเวลา พอมีเวลาแล้วเราก็ต้องไปหาที่สงบเพราะการจะฝึกสมาธิได้ผลดีต้องไปอยู่ที่เงียบๆที่ไม่มีใครมารบกวนใจถ้าอยู่ที่มีคนนี่เดี๋ยวคนนั้นก็มาชวนเราคุยคนนั้นก็ชวนมามาชวนให้เราไปกินขนมให้ชวนให้เราไปดูละครไปทำนูน่นทำนี่กันถ้ามีคนมาคอยชวนเราก็จะไม่สามารถ ที่จะทําใจของเราให้สงบได้เห็นไหมพอเรามีศีลแล้วขั้นต่อไปก็ต้องหาที่สงบที่สงบนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นที่วัดเสมอไปที่ไหนก็ได้ที่เราอยู่คนเดียวได้ไม่มีใครมารบกวนเราก็ก็ถือว่าที่อย่างนั้นก็เป็นเป็นวัดได้เหมือนกันคําว่าวัดความจริงไม่ได้ไหมายความว่าที่มีโบสถ์มีศาลามีกุฏิมีพระ วันในสมัยพระพุทธเจ้านี้คืออะไรก็ป่าเขานี่ป่าเขาลำเนาไพรพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านปฏิบัติกันในป่าในเขากันทั้งนั้นเพราะเป็นที่สงบเป็นที่เอื้อต่อการบรรลุธรรมคือสมาธิและปัญญาอยางนั้นขั้นขั้นแรกต้องรักษาศีลพอรักษาศีลแปดได้ขั้นต่อไปก็ไปหาที่สงบ พอได้ที่สงบแลทีนี้ก็ต้องมันจเจริญสตินะมันพุทธโธมันคอยควบคุมความคิดอย่าให้ใจคิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีเลิกคิดให้หมดให้มันรู้เฉยๆจิตของเรานี่มีสองส่วนทาหน้าที่สองส่วนส่วนหนึ่งทำหน้าที่คิดอีกส่วนหนึ่งทำหน้าที่รู้ตัวทำหน้าที่รู้นี่เราไม่ต้องไปยุ่งกับมัน เรามายุ่งกับไอ้ตัวที่ทำหน้าที่คิดท่านี้เพราะตัวรู้ไม่มีปัญหาตัวที่เป็นปัญหาคือตัวคิดมาหยุดตัวคิดพอหยุดตัวคิดแล้วใจจะได้นิ่งจะได้สงบจะได้มีความสุขจะมีความอิ่มความพอจะทำให้จะทำให้ใหกิเลสตัณหานี่มันหยุดทำงานชั่วคราวนี่คือเบื้องต้นต้องทำให้ได้ก่อน คือต้องมาทำสมาธิทำจิตให้นิ่งทำจิตให้สงบให้ได้ก่อนพอจิตนิ่งสงบได้แล้วทีนี้เราก็มีความสุขแลเรารู้แล้วว่าเราไม่ต้องไปหาลาบยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสเราก็อยู่ได้เราไม่เดือดร้อนแลเพียงแต่ว่าความอยากเก่ามันยังไม่ตายไปความหลงมันยังมีอยู่ความหลงที่คิดว่าลาบยศสารเสริญ รูปเสียงกิรลดให้ความสุขกับเรามันยังไม่ได้ถูกทําลายไปด้วยปัญญาขั้นต่อไปเราก็ต้องมาพร่ำสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าต่อไปนี้เราไม่ไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิรลดอีกต่อไปเพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีโอกาสที่จะพลิกไปหน้ามือเป็นหลังมือได้คนที่เราลักเราวันดีคืนดีก็อาจจะเกลียดเราก็ได้ เพอเกลียดเราความสุขที่เราได้จากความรักของเขาก็หายไปพอเขาเกลียดเราเราก็ทุกข์ขึ้นมาเราก็เสียใจขึ้นมาได้ทุกอย่างเป็นอย่างนี้มันไม่มีอะไรที่จะเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตามเหตุตามวาระตามโอกาสให้คิดอย่างนี้สอนใจอยู่เรื่อยๆ แล้วต่อไปความอยากที่จะไปหาลาบยศเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะค่อยๆหดไปหดไปจนต่อไปมันจะหดไปหมดหายไปหมดเนี่ยอันนี้ต้องใช้ปัญญาพร่ำสอนต้องสอนอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจทุกขังอนัตตาไม่ช้าก็เร็วความสุขที่ได้มาก็จะกลายเป็นความทุกข์ไป คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ร, ร่างกายของเราที่เป็นเครื่องมือมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปพอร่างกายแก่เจ็บตายก็จะไม่สามารถหาความสุขอย่างที่เราหาได้ตอนที่เรามีกําลังวังชาตอนที่เราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต้องคิดอย่างนี้พร่นสอนใจไปเรื่อยๆแล้วต่อไปความอยากที่จะหาความสุขภายนอกใจก็จะหายไปหมด ใจก็อยู่กับความสุขภายในใจดีกว่าความสุขภายในใจนี้อยู่กับใจไปตลอดเป็นของใจไปตลอดไม่มีใครที่จะมาเอาความสุขภายในใจของเราไปได้ถ้าเรารู้จักวิธีสร้างรู้จักวิธีรักษาแล้วมันจะไม่ไปจากเรามันจะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดพอเรา ทำลายความอยากต่างๆได้แล้วก็จะไม่มีความอยากมาหลอกให้เราไปเกิดอีกพอร่างกายอันนี้ตายไปเราก็ไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพราะว่าเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสอีกต่อไปเพราะเราไม่ต้องการลาบยศสรรเสริญเราไม่ต้องการรูปเสียงกลิ่นรสเพราะเรารู้ว่าลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสมันเป็นทุกข์มันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตา นะพอพิจารณาอย่างนี้ได้แล้วการที่จะต้องมีร่างกายก็หมดไปพอร่างกายนี้ตายไปก็ไม่ไปหาร่างกายอันใหม่อีกต่อไปก็ไม่มีการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจก็อยู่ที่นิพพานที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตาย ใจนี่แหละเป็นนิพพานใจที่ไม่ไปเกิดเนี่ยเรียกว่านิพพานไม่ได้เป็นสถานที่เป็นใจที่ได้กำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วก็เลยไม่มีอะไรดึงใจให้ไปมีร่างกายไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายอีกต่อไป นี่คือเรื่องของคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้ามีเท่านี้เนี่ยไปเรียนจบพระตไตรปิฎกไปรู้ว่าจิตมีกี่วาละมีอะไรรู้ไปก็เท่านั้นเองเหมือนกับญาติโยมเคยสนใจเรื่องรถยนต์เครื่องยนต์ในรถไหมว่ารถมีกี่สูบมีกําลังมีมีแรงมา้ากี่แรงใช้เบรกชนิดไหนดิสเบรกหรือเบรกธรรมดา มีราบเร็วจัดเท่าไหร่มีความเร็วสูงสุดเท่าไหร่ไม่สนใจใช่ไหมขอให้รู้วิธีขับว่าขับยังไงเท่านั้นพอแล้วเท่านั้นแหละไม่ต้องการจะรู้อะไรมากไปกว่านั้นเี่ยธรรมะก็เหมือนกันไม่ต้องไปรู้หรอกจิตมีกี่วาระเอะกิเลสอะอะไรต่างๆที่บางคนมาถามว่าธรรมะมีกี่การอะไรต่างๆมจําไม่ได้มีกี่อันนี้เป็นรายละเอียดที่พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านมัน มาแจกแจงมาเล่าให้เราฟังเท่านั้นแต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องต้องไปจดจาไปรู้มันให้รู้เพียงอย่างเดียวว่าวิธีที่จะปฏิบัติศีลสมาธิเป็นยังไงเท่านั้นเหมือนกับคนขับรถให้รู้ว่ากุญแจอยู่ที่ไหนเวลาจะต t a r t รถ s ตา r t อย่างไงเวลาจะขับมันไปไหนมาไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากับรถทำยังไงให้ขอให้รู้เท่านี้พอมีใครไปสนใจไหมว่ารถคันนี้มีพลัง ใช้ใช้น้ำมันแบบไหนถึงจะมีแรงใช้น้ำมันแบบไหนไม่มีแรงไม่สนใจนะขอให้ขับเป็นเท่านั้นอันนี้ก็เหมือนกันธรรมะของท่าเจ้าแม้จะมีมากมายกายกองมันก็เป็นความรู้ที่เราไม่จะเป็นจะต้องรู้ความรู้ที่เราจะเป็นต้องรู้ก็มีแค่สามอันนี้คือวิธีปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นเอง เหมือนกับการขับรถขอให้เรารู้วิธีขับรถขอให้เรารู้วิธีสตาร์ทรถขอให้เรารู้ว่ากุญแจรถอยู่ที่ไหนเท่านั้นพอแล้วเพราะเราไม่ต้องการจะรู้หรอกรถคันนี้อมีสมรรถภาพมากน้อยเพียงไรมีลูกสูบกี่ลูกสูกมีแรงมา้ากี่แรงมา้าไม่สําคัญขอให้มันพามันเราไปที่เราต้องการจะไปได้ก็พออันนี้ก็เหมือนกัน ธรรมะนี้จะพาเราไปสู่พระนิพพานพาเราไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดวิธีที่จะพาเราไปก็คือศีลสมาธิปัญญาขอให้รู้จักวิธีสร้างศีลขึ้นมาสร้างสมาธิขึ้นมาสร้างปัญญาขึ้นมาเท่านั้นก็พอรู้แค่สามตัวนี้เท่านั้นเองง่ายมากถ้ามาศึกษาจากผู้ปฏิบัติไปถามครูบาอาจารย์ถ้าไม่ตอบรอเราอภิธรรมถ้าไม่รู้เรื่องหรา บางคูบาอาจารย์บางองอ่านหนังสือไม่เป็นเสด้วยซ้ําไปแต่ท่านบรรลุเป็นพระอราหันต์ได้ท่านไปถึงนี้ผ่านได้เพราะไม่จาเป็นจะต้องรู้เรื่องอภิธรรมไม่ต้องรู้พระสูตรต่างๆทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้เพราะความจริงพระสูตรต่างๆพระพุทธเจ้าก็ทรงสแสดงสรุปได้สามข้อใหญ่ๆคือให้ละการกระทําบาปให้ทําบุญแล้วก็ให้ชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ก็คือให้ปฏิบัติทานศีลสมาธิปัญญานี้เท่านั้นเองดังนั้นขอให้เรารู้แค่นี้แล้ว ร, รับรองได้ว่าเราจะสามารถไปถึงจุดสุดยอดของศาสนาได้คือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการไปถึงพระนิพพานไปถึงความสุขที่ถาวรที่แท้จริงที่ไม่มีวันสิ้นสุดอยู่ที่การศึกษาศีล ส, สมาธิและปัญญานี้เท่านั้นเอง ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินางเตตานาังอุปปับ ป, ปฏิยิชิต่ังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุจังกปา จันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพโรโควินาตุตมาเตผวัตวันตรลายโสุขีทีคายุโผวะอะพิวาทนสีิตสะนิจังวุธาปจายโน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 แต่อย่าถามหลังจากที่เลิกประชุมแนละ้วพอเลิกประชุมก็ขอยุติการถามเพราะไม่เช่นนั้นมันจะยืดเยือ้อไม่มีวันสิ้นสุดนะก็เหนื่อยด้วยพูดมาเกือแบบสองชั่วโมงก็อยากจะพักแต่อยากจะถามอะไรเชิญถามได้ในตอนนี้เลยวันนี้ทางบ้านมีผู้ติดตามเท่าไหร่ วันนี้ทาง Facebook เข้ามา305 YouTube 223วิทยุออนไลน์27รับฟังข้างบนนี้40คนรวมทั้งหมด595ครับ อ, อยากจะถามนะเดี๋ยวขอเอาไมโครโฟนเดี๋ยวเราพูดฝั่งไมโครโฟนพูดใกล้ๆประมาณนี้ครับ จะมีทางไม่ได้เย็นต้องพูดใกล้ๆป่าเ ล, ล, ล<ะ>ยับ จ, จะมีทางรวบรวบลัดยังไงไหมครับสําหรับการที่จะเข้าถึงนิพพานให้ทันก็ไ ป, นไปบวชก็ไปบวชนี่ยรวบรัดที่สุดบวชเราจะได้ปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ศีลแปดเป็นค า, ารวะไม่ได้ก็ อ, อยากจะรวบรัดเนี่ยศีลแปดมันไม่ใช่รวบรัดมันทางยาวอ ทางยาวกว่าถ้าทางรัฐก็ต้องศินสองร้อยยิาบเจ็ดนี่ครับคารวะก็ได้แต่ช้าหน่อยนอออแต่ถ้าเป็นพระจะเร็วหน่อยนะครับพระพุทธเจ้าสอนพระว่าเจ็ดวันไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีแต่ท่านไม่ได้รับรองกับพวกถือศีลแปดท่านรับรองกับพวกที่บวชเป็นพ200ระสองร้อยสินสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อ ถ้าอยากจะบรรลุภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีก็ไปบวชจะไปหาไปต้องไปหาพระพระอาหารหันต์เป็นอาจารย์ด้วย mm. หาพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์เป็นอาจารย์ mm. เพราะว่ามันต้องมีทั้งคนสอนและมีทั้งคนปฏิบัติที่เต็มร้อยทั้งคู่คนสอนก็เต็มร้อยรู้เต็มร้อยคนปฏิบัติก็ปฏิบัติเต็มร้อย mm. รับรองได้ไม่เจ็ดวันเจ็ดเดือนก็เจ็ดปีตอนที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้เต็มร้อยแล้วพวกที่ไปปฏิบัติกับพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติเต็มร้อยก็เลยพระพุทธเจ้าเลยรับประกันได้ถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีไม่เจ็ดปีก็เจ็ดวันเนี่ยต้องได้อย่างได้อย่างหนึ่งไม่ขั้นพระอนาคามีก็ขั้นพระอรหันต์อย่างแน่นอน ถ้าอยากไปทางลัดไปทางนี้ถ้าอยากจะไปทางอ้อมก็ไปถือศีลแปดเพราะเสือศีลแปดมันวันไหนมันไม่อยากจะถือมันก็เลืิกได้นะแต่ถ้าถือศีลสองยิบเจ็ดมันเลืิกไม่ได้แล้วก็ต้องเสร็จไงใช่ไหมครับหมดหมดเข้าใจนะหมดเข้าตกใจแล้วครับโอเคมีใครอยากจะถามอีกไหย ให้มีกาส่งกลับไปทางด้านหลังค ำ, คำถามทาง YouTube จากคุณเตียนันค่ะในโลกทิพที่ดวงจิตอยู่นั้นมีกลางวันกลางคืนเหมือนกับบนโลกมนุษย์หรือเปล่าครับ อ, อ๋อโลกททพก็คือโลกของความฝันไงเวลาเรานอนหลับเราฝันไปมันก็เหมือนกับโลกจริงๆที่เราอยู่เนี่ยมีทุกอย่างเหมือนกันเวลาเราฝันนี่เราไม่รู้ว่าเราฝันใช่ไห เราคิดว่าเราไปเที่ยวที่นั่นไปทํานู่นทํานี่มีเรื่องกับคนนั้นมีเรื่องกับคนนี้หิวข้าวหิวน้าอะไรนี่เหมือนกันหมดโรคเทปนี้ก็คือโลกของความฝันตอนที่เรานอนหลับเนี่ยเราทําอะไรเราก็ฝันกันใช่ไหมนั่นแหะตอนที่เราตายก็เหมือนกับตอนที่เรานอนหลับเพราะตอนที่เราตายหรือตอนที่เรานอนหลับเราไม่ได้ใช้ร่างกายเราไม่ได้ใช้ร่างกายไปหารูปเสียงกลิ่นรสไปรับดูเรื่องราวผ่านทางร่างกาย เราก็เลยใช้ความฝันเป็นเรื่องที่เรารับรู้กันเสกกันที่เราจะฝันดีฝันร้ายก็อยู่ที่บุญหรือที่บาปที่เราทำกันเนี่ยถ้าเราทำบาปเราก็จะฝันแต่เรื่องร้ายเรื่องทุกข์เรื่องเดือดร้อนเรื่องหุ้นวายใจต่างถ้าเราทำบุญเราก็จะฝันแต่เรื่องที่ดีเรื่องที่สบายใจดวงวิญญาณที่ฝันดีเราก็เรียกว่าเทวดา ลงวิญญาณที่ฝันร้ายก็เรียกว่านารกเรียกว่าเปรตเรียกอสูรละกายนี่แหละคือโลกทิพย์โลกของความฝันแต่เป็นความจริงนะไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นความฝันเพราะถึงแม้เราจะเปรียบเทียบ ว, ว่าเป็นความฝันมันเป็นความจริงเพราะเวลาเวลาเราฝันนี่เราไม่รู้ว่าเราฝันใช่ไหมเราคิดว่าเรากําลังอยู่ในเหตุการณ์จริงทุกอย่างตื่นขึ้นมาบางทียังเหงื่อแตกพักเลยฮะ บางทีตื่นขึ้นมาจิตใจยังสั่นสะเทือนอยู่จากเหตุการณ์ที่เราไปเจอในในโลกของความฝันไม่ใ้่มันเป็นโลกของความจริงเพียงแต่เราเปรียบเทียบตั้งแต่ว่าเป็นความฝันเพื่อเราจะได้เห็นภาพว่าเวลาที่ไม่มีร่างกายแล้วจิตมันก็อยู่ในโลกของความฝันแต่เป็นความฝันที่จริงเป็นความฝันที่ผู้ฝันคิดว่าเป็นความจริงจะรู้ก็ตอบจะ จะหมดจากความฝันก็ตอนที่มาเกิดใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่พอข้อดออกมาจากท้องแม่ก็ลืมตาตื่นขึ้นมาใหม่ตอนนั้นความโลกของความฝันก็หยุดไปชั่วคราวกลับมาอยู่ในโลกของร่างกายมาประสบเหตุการณ์ผ่านทางร่างกายแต่พอร่างกายนอนหลับพักก็กลับไปหาโลกของความฝันอีก เวลาใดที่ไม่มีร่างกายเวลาที่ไม่ได้ใช้ร่างกายเวลานั้นจิตก็จะกลับไปหาโลกของความฝัน ท, ทันทีถึงอยากพระธ้าถึงบอกให้ทำดีอย่าทำบาปจะได้ฝันดีจะได้มีแต่เหตุการณ์ดีๆให้ได้เสพได้สัมผัสถ้าทำบาปมันก็จะมีแต่เหตุการณ์ไม่ดีมาให้เสพให้สัมผัสคำถามต่อไปคำถามต่อไปจากคุณ a บค่ะ พระอาจารย์คะไปอยู่วัดฟังภาษาครูบาอาจารย์ไม่รู้เรื่องทําอย่างไรดีคะก็ไปหาครูบาอาจารย์ที่พูดภาษาเราสิครูบาอาจารย์บางท่านท่านก็พูดได้สองภาษาอย่างนลวงตามหาบวัวนี่ท่านเมตตาท่านจะเวลาเทศท่านจะพูดภาษาไทยทางทั้งที่ท่านเป็นคนอีสานแต่พระที่ไปอยู่ที่วัดของท่านมาจากทุกทิศทุกทุกภาคถ้าพูดภาษาอีสานก็จะรู้แต่เฉพาะ พระอีสานท่านก็เมตตาเวลาท่านเทศทั้งสอนเนี่ยฉันจะพูดภาษาไทยแต่บางเวลาท่านก็อาจจะเผลอท่านก็ จ, จะพูดภาษาอีสานบ้างแต่ไม่บ่อยส่วนใหญ่ท่านจะพุ่งพูดภาษาไทยกรูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ทางภาคอีสานท่านก็พูดภาษาไทยได้ดังั้นก็ต้องหากรูบาอาจารย์ที่พูดภาษาเรานะขนาดฝลังนี่ ก็ยังมาบวชอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ไม่ได้พูดภาษาเขาได้นะอาจารย์สุเมโตเนี่ยเป็นชาวเมเลกันเนี่ยมาอยู่กับหลวงปู่ชาเนี่หลวงปู่ชาก็พูดภาษาฝรั่งไม่ได้พระสุเมโตก็ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องแต่ก็ใช้ภาษาไบ่เนี่นะทําไมคนไบาก็คุยกันได้ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเพราะการสอนมันไม่ต้องสอนด้วยวาจาก็มีสอนด้วยตัวอย่าง สอนให้บินทบาทหลวงปู่ชาท่านก็บินทบาทพอท่านบินทบาทลูกศิษย์ก็ได้บินทบาทตามท่านท่านฉันในบาทเขาก็ฉันในบาทตามท่านนะงั้นการสอนไม่จำเป็นจะต้องสอนด้วยภาษาเพียงอย่างเดียวสอนด้วยการปฏิบัติเนี่ยส่วนภาษานี่ก็สามารถให้คนอื่นที่รู้ภาษามาแปลให้ฟังได้ บางทีท่านอยากจะพูดอะไรก็อาจจะมีญาติโยมพูดภาษาฝรั่งเป็นก็อาจจะให้มาแปลให้ฟังคําำถามต่อไปจากคุณเบญจวรรณค่ะการทำสมาธิเพื่อให้จิตรวมสงบจนถึง จิตถึงใจเมื่อมาพิจารณาปัญญาจะให้ใจเชื่อฟังจนความอยากมันลดกําลังลงไปจนหมดไปจากใจถูกต้องไหมคะเออถูกต้องแล้วแหละถ้าใจมีสมาธิแล้วมีจะมีกําลังที่จะห้ามความอยากได้แล้วพอมีเหตุผลคือปัญญาว่าทําไมไม่ควรทําตามความอยากมันก็จะเลิกได้ทันทีออคําถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคะ่ะ ทำงานร่วมกับคนพูดจาหยาบคายเอาเปรียบผู้อื่นในการทำงานเข้างานมาต้องหาเรื่องด่าแต่เช้าควรแก้ไขอย่างไรครับบางครั้งมันก็เหลืออดหรือคิดว่าเป็นอ น, นิจจังเขาด่าเขาบาปครับเออคิดว่าอยู่กับหมาก็แล้วกันเวลาหมาเห่าเราก็ไปห้ามมันไม่ได้ก็ปล่อยเขาเห่าไป เราก็ทำใจเราเฉยๆไปทำเปไม่รู้ไม่ชีไปอยากไปอยากให้เขาพูดดีความทุกของเราไม่ได้อยู่ที่เขาพูดหยาบหรอกความทุกของเราอยู่ที่ความอยากให้เขาพูดดี ถ้าเราไม่ได้อยากให้เขาพูดดีเ ร, เราก็จะไม่เดือดร้อนเขาอยากอยากจะพูดหยาบคายก็เรื่องของเขาเขาคี้ข้อเขาเป็นหมาเท่านั้นเองนะนลก็เป็นสุน no ัขสุนัขก็ต้องเห่าไปเราไม่ค <ER ่อยทุกข์กับสุนัขใช่ไหเพราะเราไม่ได้ไปอยากให้สุนัขไม่เห่าเพราะมันมันมันต้องเห่าอ่ะมันจะพูดภาษาคนไม่ได้เยเราก็อย่าไปอยากอย่าไปอยากให้เขาพูดดีเพราะพอเราอยากให้เขาพูดดีพอเขาไม่พูดดีเราก็ลำคาน แต่ถ้าเราเฉยๆ เ, เขาอยากจะพูดดีไม่ดีก็เรื่องของเขาเราก็จะไม่ลำคานใจคําถามต่อไปจากคุณพิตตาอ่านประวัติหลวงพ่อว่าหลวงพ่อปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านตาติดต่อกันเก้าปีหลวงพ่อมีคติตามติขอโทษค่ะคติธรรมหรือหลักอย่างไรจึงปฏิบัติได้นานโดยไม่ไปวิเวกหรือทุดงที่อื่นเลยคะก็ให้มีสติเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้น มีสติแล้วก็นั่งสมาธิให้สงพบพอจิตสงบแล้วก็มีความสุขก็เลยไม่อยากจะไปหาความสุขนอกวัดเนี่ยความสุขในใจนง่ายกว่าสบายกว่าพอหาเป็นแล้วเพียงแต่นั่งหลับตาใช้สติหยุดความคิดก็ได้ความสุขแล้วมันก็เลยไม่ต้องไปไหนเงี้ทนผู้ที่อยากจะปฏิบัติได้ผลนี่ต้องให้ความสำคัญกับการฝึกสติให้มากกับการนั่งสมาธิให้บ่อย มีสติก็จะดั้งสมาธิได้บ่อยได้นานแล้วก็จะได้ความสงบได้ความสุขพอได้ความสุขแล้วความอยากต่างๆถึงแม้จะมีอยู่ก็คุมมันได้ไม่ต้องมันจะไม่รู้สึกทุกข์มันไม่รู้สึกจะเดือดร้อนเวลาที่อยู่ในในวัดเนี่ยคนที่อยู่ในวัดไม่ได้หรืออยู่ในบ้านไม่ได้ก็เพราะคุมคุมความอยากไม่ได้พอบรอยากแล้วมันรู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจ แต่พอเราทำให้มันสงบได้ปั๊บความหงุดหงิดลำคาญใจก็หายไปความสุขความเย็นสบายก็เกิดขึ้นมันก็เลยไม่อยากจะไปไหนเนี่ยมาอยู่ที่นี่ก็ไม่เคยไปไหนเชื่อไหมมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีสองเจ็ดเนี่ยนี่ปีเท่าไหร่แล้วเนี่ยอา้า0สองสามสิบกว่าปีแล้วก็ไม่ไปไหนกิจนิมนต์ก็ไม่รับไปไหนทุกวันก็ทำกิจประจําเช้าก็ไปบิณฑบาตเสร็จ ก, ก็กลับมาอยู่ที่กุฏิ มาอยู่กับความสงบถ้ามีใครมาหาก็คุยกับเขาไปพูดกับเขาไปอย่างทุกวันนี้ก็มีเวลาหน่อยเมื่อก่อนไม่มีเวลาเพราะคนมาไม่น้อยคนมาไม่มากใคอยากจะมาเวลาไหนก็รับเขาได้แต่เวลานี้ไหวอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวมันไม่มันไม่พอก็เลยต้องนัดว่าถ้าจะมาก็ให้มาตอนสองโมงถึงสี่โมง แล้วก็มามีอะไรก็ว่ากันไปพูดกันไปแต่อยากจะรู้อะไรอยากจะถามอะไรก็ถามได้ แต่ถ้าไม่มีใครมาก็ไม่เดือดร้อนไม่เคยเพราะเมื่อก่อนก็ไม่มีใครมาเพิ่งเนี่ยคนเพิ่งมามาระยะสี่ห้าปีหลังเนี้ตั้งแต่เริ่มมีเฟซบุ๊กมียูทูบเนี่ยแล้ว ม, มีการถ่ายทอดสดคนก็เลยรู้จักกว้างขวางมากขึ้นไปเรื่อยๆก็เลยมีคนมาแทบทุกวันเมื่อก่อนตอนเริ่มต้นก็มีแค่ช่งวงเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาก็มีไม่กี่คนแต่ตอนนี้แทบทุกวันมีอย่างน้อยก็สี่ห้าสิบคนทุกวันขึ้นไป คำถามจากข้างบนนี้นะครับการที่คนเราจะมาเกิดก่อนที่จะมาเกิดนั้นแปลว่าได้ผ่านการรับ ผลบุญบนสวรรค์และรับผลบาปที่อบายมาก่อนแล้วทุกคนแต่ทาไมทุกคนถึงจำอะไรไม่ได้เลยครับอย่างน้อยถ้าทุกคนจำได้ว่าเคยตกอบายกันมาก็จะได้ตระหนักเกรงกลัวต่อการทำบาปและถ้าเคยได้ไปบนสวรรค์มีความสุขแบบใดชาตินี้จะได้ทำความดีสร้างบุญกันทุกคนมผมเคยทราบมาว่าก่อนจะมาเกิดท่านเท้ายมราชจะให้เราดื่มน้าที่ทาให้ลืมทุกสิ่งอันนี้ มีส่วนเป็นจริงหรือไม่ครับอันนี้เราไม่รู้นะเรื่องเท้าอยู่มา่า น, นี้แต่เรารู้ว่าทําไมจําไม่ได้ก็เพราะอาทิตย์ที่แล้วเราทําอะไรเรายังจําไม่ได้เลยเราอยากแต่ว่าเมื่อห้าสิบปีก่อนเพราะกาจะกรรบมาเกิดนั้นอีกไม่รู้กี่สิบปีด้วยกันเพราะตอนที่เราตายไปเราก็ไปอยู่ในโลกของความฝันก็ไปยุ่งกับเรื่องสิ่งที่เหตุการณ์เกิดขึ้นในของความฝันอยู่นั่นแหะ พอเราตื่นขึ้นมาเราก็จําอะไรไม่ได้ใช่ไหมเรานอนหลับนี่พอเราฝันพอตื่นขึ้นมาหายไปหมดแล้วจไม่ได้แล้วเพราะนี่แหละคือความจําของพวกเราสั้นถ้าอยากจะให้ความจําของพวกเรายาวต้องนั่งสมาธิเนี่ยบางคนสามารถระลึกชาติได้ถ้ามีสมาธิเนียพระพุทธเจ้าท่านสามารถย้อนกลับไปหลายชาติได้พระเจ้าสิบชาตินี้ก็มาจากการระลึก ของท่านในสมาธินี่เองจำได้ว่าเคยเป็นพระเตมีเคยเป็นพระมาหาชานกเคยเป็นพระเวสสันดร อ, อันนี้ก็ต้องมีพลังคือมีสมาธิถึงจะสามารถระลึกชาติได้ถ้าไม่อย่างนั้นเราจำไม่ได้หรอกความจารพวงเราสั้นมากอย่าว่าแต่เดือนที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเลยเมื่อวานนี้ทำอะไรบ้างลองจดมาให้ฟังดูเลยตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยจาไม่ได้บางที เราถึงต้องมีบันทึกความจํากันอยู่ด้วยใช่ไหมเห็นไหมเดีย๋ยวนี้ไม่ว่าโทรศัพท์มือถือก็มีที่ให้บันทึกความจําเมื่อค่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือก็ใช้กระดาษบันทึกกันต้องจดกันงั้นจําไม่ได้หรอความจําเรามันน้อยคือปริมาณที่จะจุ ค, ความความรู้มันน้อยเพราะเรามีเรื่องใหม่เข้ามาอยู่เรื่อยๆวันๆหนึ่งเรามีเรื่องคนนั่นคนนี้เข้ามาอยู่ตลอดเวลามันก็ามากบไอ้เรื่องเก่าไป เวลาจะลึกถึง้เรื่องเก่านี้ต้องบางทีต้องนั่งคิดนั่งย้อนกลับไปนั้นยากต่อที่การที่เราจะมาจำอะไรได้ต่างคําคำถามต่อไปจากท่านอาจารย์เชนเฟซบุ๊กนะครับต้องปฏิบัติอย่างไรจิตใจจึงเป็นกลางในสังขารทั้งหลายได้อย่างถาวรครับ ก็เนี่ยต้องสมาธิไงทําจิตให้รวมเป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิก็จะได้อุเบกขาอุเบกขาก็คือการเป็นกลางของจิตจิตที่เป็นอุเบกขานี้จะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแต่บรรใจยังไม่ถาวรเท่านั้นเอง ถ้าอยากจะให้มันถาวรเวลาที่มันไม่เป็นกลางก็ต้องใช้ปัญญามาคอยบังคับให้มันกลับเข้าไปเป็นกลางถ้ามีปัญญามันก็จะเป็นกลางได้เพราะมันจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่มีตัวตนเป็นเหมือนดินน้ำลมไฟเราจะเห็นต้นไม้ทุกต้นเหมือนกันหมดใช่เราจะไม่รู้สึกจะมีรักมีชังกับมันต่อไปเราจะเห็นร่างกายของคนนั้นทั้งหัเป็นดินน้ำลมไฟไปหมดใจเราก็จะเป็นกลาง ควานี้ใจเราอยังไปหลงติดอยู่กับสมมติจ้ะร่างกายคนนี้เป็นพ่อร่างกายคนนี้เป็นแม่ร่างกายคนนี้เป็นลูกพอมันมีความรู้เหล่านี้เข้ามามันก็เลยมีความรักชังขึ้นมาแต่พอเราใช้ปัญญาว่าลูกก็มาจากดินน้ำนมไฟแม่ก็มาจากดินน้ำนมไฟตัวร่างของเราก็มาจากดินน้ำนมไฟเดี๋ยวก็ต้องกลับไปสู่ดินน้ำนมไฟมันก็เป็นการได้เฉยเฉยได้ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงได ANC คำถามต่อไปจากคุณปานจิตแต่ก่อนโยมเป็นคนใจร้อนเวลานอนหลับชอบฝันว่าตัวเองยากจนแล้วก็ลำบากมากเจ้าคะ่ะแต่พอโยมเข้ามาฟังธรรมรู้สึกใจเย็นขึ้นเวลานอนหลับก็ฝันดีขึ้นบางครั้งก็จำความฝันไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าเจริญสติได้ไหมเจ้าคะ่ะ ได้ถ้าจิตสงบก็แสดงว่าเรามีสติมากขึ้นทำให้จิตเราเย็นทำให้จิตสงบความโลภความหิวก็น้อยลงเวลาฝันก็แล้วไม่ค่อยฝันเรื่องหิวเรื่องอะไรต่างๆเพราะใจมันอิ่มนะเวลานอนหลับก็จะฝันแต่เรื่องที่ทำที่มีแต่ความอิ่มความพ อ, อมคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามโยมโดนหลานสาวแท้ๆที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก อายุ14ปีพาเพื่อนมาขโมยของในบ้านและเงินตอนที่เราไม่อยู่บ้านหลายเดือนเจ้าคะ่ะดูแล้วเด็กไม่สำนึกตัวเองและรู้สึกผิดอะไรเลยเจ้าคะ่ะควรทำอย่างไรดีเพราะเดี๋ยวก็ต้องไม่อยู่บ้านอีกหลายเดือนและทางพ่อแม่ของเด็กก็เข้าข้างเด็กด้วยเจ้าคะ่ะก็ส่งคืนพ่อแม่เขาไปสิเมื่อรู้ว่าไม่ปลอดภัยก็ต้องคืนเขาไปนอกจากว่า ให้โอกาสเขาแล้วก็สอนเขาให้กลับตัวถ้าให้โอกาสเขาแล้วคิดว่าเขาจะกลับตัวได้ก็ลองให้โอกาสเขาอีกสักครั้งดูถ้าเขายังทําผิดเหมือนเดิมอยู่ก็ต้องส่งคืนพ่อแม่เขาไปคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามได้ยินมาว่าพระโสดาบันจิตจะอยู่กับร่างกาย แทบประมาณ60สถึงเจ็ดเอร์ซเลยใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่แร้วจิตก็อยู่กับร่างกายเพียงแต่ไม่ติดไม่ยึดติดกับร่างกายหรือว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นตัวจิตหรือว่าร่างกายเป็นตัวคนรับใช้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวหรือว่าไม่ช้าก็เร็วร่างกายนี้ก็ต้องแก่เจ็บตายไปก็ไม่หวงไม่ห่วงเมื่อดูแลไปตามอัตภาพ อยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปแต่ใจจะไม่วุ่นวายไม่วิตกกังวลไม่ห่วงใยไม่ทุกข์กับมันมคำถามต่อไปจากคุณอาณาปาเวลาที่นั่งสมาธิเกิดแสงสว่างเหมือนสายฟ้าแลบต่อมารู้สึกสมองโปร่งคิดไหลลื่นสภาวะเช่นนี้คืออะไรครับและมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับก็มันไม่เสียหายอะไรก็ไม่ต้องแก้ไข เพียงแต่ว่ามันยังไปไม่ถึงจุดที่เราต้องการไปในการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิเราต้องการไปสู่จุดที่จิตนิ่งสงบว่างไม่มีอะไรปรากฏให้เราเห็นแต่ระหว่างทางที่เราไปนี้อาจจะมีปรากฏการณ์อะไรชั่วว่า ก, ก็ปล่อยให้รับรู้ไปว่าอ๋อตอนนี้เจอเหตุการณ์อย่างนี้ภายในจิตใจก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเป็นไตายรักมันกเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไป เราอย่าไปสนใจมันเราอยู่กับการดูลมอยู่กับการพุพทโธต่อไปถ้าเดี๋ยวเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะผ่านไปใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าเราไปวุ่นวายไปยุ่งกับมันเราก็จะติดอยู่ตรงนั้นงั้นอย่าไปสนใจมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็เพียงให้รับรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยมันไปอย่าไปยุ่งกับมันกลับมาที่ลมหายใจกลับมาที่พุทโธต่อไป ก เ, เดี๋ยวก็เหมือนกับขับรถเนี่ยเราขับรถไประหว่างทางก็อาจจะมีอะไรให้เราเห็นให้เราดูเราก็ดูไปรู้ไปแล้วเราก็ขับรถต่อไปเดี๋ยวเหตุการณ์นั้นมันก็ผ่านไปถ้าเราจอดรถไปดูเหตุการณ์เราก็ไปไม่ถึงบ้านาทันทีเราอย่าหยุดยเราอย่าหยุดขับรถเราขับรถไปได้เรื่อยเราจะไปบ้านไปสมาธิเราก็ต้องพุโทโธไปเรื่อยๆดูลมไปเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าจะมีปรากฏการณ์อะไรปรากฏขึ้นมาในใจก็ให้เพียงแต่รับรู้ไว้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวถ้าเราอยู่กับพุโทโธเดี๋ยวมันก็จะหายไปคำถามต่อไปจากคุณกรุณามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องหูทิฟครับ <c oughs> สมมุติผมได้ยินเสียงทิฟอาการจะเป็นอย่างไรและจะออกจากอาการ หูทิปนี้ได้อย่างไรและการติดต่อ น, นี้จะจบลงหรือเปล่าเมื่อสังขารนั้นดับลงตอนดำรงชีวิตปัจจุบันนี้จะเป็นปกติหรือเปล่าครับในเมื่อได้ยินเสียงที่เป็นทิปอยู่ทุกวันจะไปหาต้นต่อก็ไม่เจอจับหรือสัมผัสก็ไม่ได้หรือถ้าพบแล้วควรปฏิบัติอย่างไรครับตอนนี้เป็นคารวาสไม่ทราบทางออกจริงๆครับโปรดชี้แนะด้วยครับ ก็เหมือนกับเสียงทั่วไปเนี่ยเราได้ยินเสียงแล้วก็อย่าไปรับชังกลัวหลงนั่นเองเสียงมันก็มีดีก็มีก็ไม่ดีก็มีที่เราชอบก็มีไม่ชอบก็มีเราก็ปฏิบัติกับเสียงที่เหมือนกันเราปฏิบัติกับเสียงที่เราได้ยินผ่านทางหูเหมือนกันะถ้าเราห้ามมันไม่ได้มันจะดังก็ปล่อยมันดังไปเช่นเสียงหมาเห่าบางที่เราจะห้ามมันไม่ให้เห่าไม่ได้ก็ปล่อยมันเห่าไปเท่านั้นเอง ก็ปฏิบัติเหมือนกับเราปฏิบัติเสียงธรรมดานี้เองอย่าไปอย่าไปควบคุมบังคับมันถ้าเราควบคุมบังคับมันไม่ได้มันจะโผล่ขึ้นมาก็ปล่อยมันโผล่ขึ้นมาอืมวิธีที่จะควบคุมมันได้ก็มีแต่ถ้าเรายังทําไม่เป็นก็ปล่อยมันไปวิธีควบคุมก็คือทําใจให้สงบนี่แหละเราก็พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็สงบแล้วเสียงต่างๆมันก็จะหายไป มีคอยากจะถามอะไรอีกไหมอ่าอ่าทางอ่าอาจารย์กล่าวนามาสการพระอาจารย์ค่ะอ่เมื่อสิบปีที่แล้วเคยเคยถูกโกงนะคะ อ, อ่หมดไปหลายสิบล้านนะคะตอนนี้ก็ผูกจองเวรจองกรรมเขานะคะเขาไม่ไม่ไม่ปล่อยเขานานมากแล้วอยู่วันนึง สามีก็บอกว่าเรามาจบชีวิตกันไหมกับกับลูกอันนี้พอดีมีพี่น้องที่อยู่ในศีลในธรรมนะคะ เ, เขาก็บอกว่าให้เมตตาแล้วก็ให้ให้รับสภาพในสิ่งที่ที่เราเป็นตตค่ะแต่นี้วันหนึ่งก็ไปไปวัดแล้วก็อธิษฐานว่าเราจะขอโหสิกรรมให้เขานะคะอืเราจะได้ก็ได้ได้เงินก็ได้ถ้าได้คืนก็เอาทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะ แต่นี้เพราะนั้นเสร็จเขาก็วันเดียวกันนะคะเขาก็โทรให้ทงางศาลก็เรียกให้ไปรับไปรับเงินคืนค่ะแต่คนที่เป็นหนี้นะคะเขาก็ เ, าเขาก็มากราบขอหัวใิกรรมก็ยังไม่ไม่ยกโทษให้เขาค่ะอพอมาเมื่อเช้านี่เขาก็ติดต่อมาอีกค่ะ เ, เขาบอกว่ายกโทษให้เขาได้ไหมออื่าติดใจมานานแล้วค่ะพระอาจารย์สิบปีแล้วคะ่ะอก็ไม่รู้ว่าจะจะทํำยังไงดีเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เคยทําอะไรให้ไกลนะคะ เราไว้ใจเขาแล้วพอเรามาเจอแบบนี้ก็มันเหมือนว่าชีวิตมันเกือบจะล่มนะคะคือฝรั่งเขามีคำพูดว่า you can forgive but you cannot forget ค่ะก็พอดีคนคนที่บ้านบอกว่าให้อภัยเข้าไปยกโทษให้เข้าไปแต่เราไม่ลืมดีแล้วเราจะได้เป็นบทเรียนคอยเตือนเรา ก็ยกโทษให้เขาไปก็อย่าไปมีเรื่องอย่าไปมีความโกรธเกลียดเขาเถือเขาว่าเขาเป็นคนงนึกคนที่อไม่ฉลาดทําอะไรผิดพลาดไปเราก็ มันก็ผ่านไปแล้วคเราให้อภัยเขาได้ก็ให้อภัยไปก็ที่ที่ที่อยู่มาได้ทุกวันนี้เพราะว่ามีพี่น้องที่คอยคอยบอกว่าให้อยู่ในศีลในธรรมก็ให้ให้ให้ทําสมาธิให้ให้อยู่ในให้เข้ามาทางธรรมนะคะแล้วจะอยู่ได้ก็เลยหันเข้ามาทางธรรมก็สนุกสงบขึ้นเยอะค่ะไม่งั้นใจก็จะไม่สงบค่ะพอดีเมื่อเช้านี้เขาก็ติดต่อมาเขาก็ขออีกครั้งหนึ่งว่าอ่ายกโทษให้เขาได้ไหมสิ่งที่เขาทํา ก็เรพียงแต่ยกโทษเฉยๆไม่ใช่ความเสียหายเขาก็แล้าก็ชดใช้ให้เราหมดแล้วเขายกชดใช้เมื่อเมื่อส่งสำเรือนก็ไม่น่าจะมีความในโกรธเขาอีกต่อไปแล้วก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพียงแต่เสียความรู้สึกเะมีความรู้สึกค่ะเพราะว่าคือคือมีช่วงหนึ่งที่ชีวิตมันเหมือนตกนรกนะคะแต่นี้คนที่บ้านก็บอกว่าหนในเราก็มาแล้วมามาแบบเหมือนมาล่มมาจมอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ดูว่ามันผ่านไปแล้วเหมือนกับฝันลายก็แล้วกัน เมื่อคืนนี้เราฝันร้ายเราตื่นขึ้นมามันก็หายไปแล้วอย่าไปคิดถึงมันค่ะคิดไปก็ทําให้เราทุกข์ไปเปล่าๆแต่ก็ไม่ให้ลืม ให้จำไว้เป็นบทเรียนว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจตายค่ะเกือบก็เกือบตายค่ะเพราะตายไม่พอยังจะพาลูกตายไปด้วยตายทุกคนเราจะคิดสัานได้บางทีก็เกือบค่ะพอดีพี่พี่ก็ดึงไว้พี่สาวก็จะดึงไว้พิธรรมะก็ช่วยได้อย่างค่ะธรรมะจะให้เรายับยั้งความคิดที่ไม่ดีได้ค่ะดังนึ้ก็ต้องอาหกศีกรรมให้เขาใช่ไหมคะถ้าเขายกโทษเข้าไปเราจะได้สบายใจแล้วเขาก็จะได้ไม่ไม่มีอาการรู้สึกเดียดชังกันะค่ะ ไม่น่านาคุณอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้แต่ก็เพื่อนแบบที่เราก็ต้องระวังถูกหมาตัวนี้กัดแล้วเราก็ต้องระวังการนมัสการโอเคนะแต่ให้อภัยก็ได้น่ะดีเป็นการแผ่เมตตาเป็นการช่วยทําให้จิตใจเราสงบมากขึ้นก็ตอนนี้ก็คิดว่าเพื่อตัวเราเองไม่ได้เพื่อไม่ใช่เพื่อเขาเราเพื่อเรานั่นแหละไฟนรกเราจะได้ดับไปหมดอย่างสิ้นเชิงคโอเคสาธุ กรรมราชการอาจารย์เจ้าค่ะเมืม่อ ก, กี้อาจารย์บอกว่าคือต้องเป็นผู้ชายรับศีล220ข้อถึงจะไปนิพพ า, านได้นี่ผู้หญิงเราก็เสียเปรียบสิคะเราไม่รับศีลศีลก็มี313ข้อถือได้ศีลภิกษุณีแต่การถือศีลภิกษุณีไม่จําเป็นจะต้องเป็นภิกษุณีก็ได<ม>้คือไม่ต้องไปบวชไปต้องอะไรแล้วก็ถือศีลของภิกษุณีไปสิ อยากไปทำตามที่เ็าทำตามที่เ็าห้ามก็เหมือนกั น, นถือนุ่งขาวนี่แล้วก็ถือสีสามรอยสิบสามข้อไปก็ได้<ม>ไปอ่านดูแต่ในตานามีอะไรบ้างมมไม่เสียเปรียบหรอกกาไรได้ยักษ์สามาากกว่ า, าอกพระแค่สองรอยยิบเจ็ดนี่ <c oughs> ผู้หญิงนี่ต้องรักสามมากกว่าอีกสามรอยสิบสามข้อเพราะผู้หญิงสนกว่าผู้ชายลองไปอ่านดูสิในพาพใตรปดฎกนั่น อในมือถือเนี่ยเขียนสินของพิกสูตนี้มันก็โผล่ขึ้นมานะ ล, ลองไปอ่านดูแล้วลองดูรักษาได้ไหมถ้าสินแปดนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมคะชาตินี้ได้แต่มันอันนี้พูดเปรียบเทียบว่า อ, อสินแปดมันช้าไง <c oughs> เพราะว่ามันมีช่องโหว่เยอะ <c oughs> ช่องโหว่ให้กิเลสมันนี้ออกไปได้เหมือนตักขาย ตะขายที่มีช่องโหว่มากกับตะขายที่มีช่องโหว่น้อยเราต้องการที่จะจับกิเลสมาฆ่าถ้ามันมีช่องโหว่เยอะมันก็หนีไปเรื่อยสินแปดมันมีมันมีแค่แปดคอแต่สีลสองร้อยเจ็ดนี้มันถีมันมันก็จะทำให้กิเลสนี้หนีออกไปไม่ได้เราก็จะจับมาฆ่ามันได้เร็วขึ้นมากขึ้นเท่านั้นเอง <Okay. S 1> ถ้าอยากจะให้มีตะขาย ที่มันถีก็ลองไปอ่านสินของเพ็กซูนีดูสิสามร้อยสิบสามข้อเนะี่ยแล้วลองไปรักษาดูค่ะขอบคุณค่ะเมื่อจาเป็นจะต้องไปบวชเป็นเพ็กษูนีเมื่อจาเป็นจะต้องนุ่งเหลืองห่มเหลืองถึงจะเป็นเพ็กษุณีการเพ็กษุนีก็คือการรักษาสินสามร้อยสิบสามข้อนี้ต่างหากงั้น ล, ลองไปรักษาให้ได้เดูสามร้ยสิบสามหรือสามร้อยสิบเอ็ดมื่จําไม่ได้อาจจะไม่กล้าจะ ค า, าดเลื่อนแต่จำได้สามร้อยกว่ า, อาลองไปอ่านดูเนี่ยมีนายพระไตเป็นดกไม่อยู่ศีลงองพิกษุนีคำถามาต่อไปคาถามต่อไปจากคุณทิพต้าค่ะถ้าไม่ได้เกิดในยุคคุทธกาลจะไม่สามารถไปพานิพานได้ใช่ไหมครับยุคนี้เป็นยุค กึ่งพุทธการถ้ามีโอกาสควรเร่งปฏิบัติธรรมเอานิพพานในชาติดีให้ได้คิดแบบนี้ถูกไหมครับเกิดยังถ้าตาบดายังมีพระพุทธพระธรรมพระสองฆ์อยู่ยังสามารถปฏิบัติให้ไปถึงนิพพานได้อยู่แต่ถ้าหมดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมันไม่มีใครบอกทางเราเป็นเหมือนคนตาบอดไปเองไม่ได้คำทางไปเองไม่ได้ต้องมีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งเป็นผู้พาไป หมดแล้วเหรอมีใครอยากจะถามอีกไหมก็เกิดครับแล้วเราจะทราบได้ยังไงว่าพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเนี่ยองคไหนเป็นพระอรหันต์ครับอ๋อส่วนใหญ่เราจะรู้จากเวลาที่ท่านตายท่านตายกระดูกจะกลายเป็นพระธาตุขึ้นมาพอเราเรารวลาท่านเป็นพระอรหันต์เราก็ไปหาลูกศิษย์ของท่าน เพราะตัวท่านตายไปแล้วถ้าอยากจะเรียนจากท่านก็ต้องอ่านหนังสืออย่างเนี้ยหนังสือของน้องตามหาบัวมาจากเนี่ยกระดูกของน้องตามหาบัวกลายเป็นพรนะธาตุนี่ยคำสอนของท่านในหนังสือนี่ก็เป็นคําสอนธรรมะแท้เราสามารถศึกษานเหมาะไปปฏิบัติได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจมาดข้อเราก็ไปศึกษาไปถามลูกศิษย์ของท่านได้ครับ พะลุกสรได้ศึกษาจากท่านปฏิบัติจากท่านก็น่าจะมีโอกาสที่จะเป็นพระ่านได้เหมือนกันอย่า ง, งเช่นพระอาจารย์ไม่ใช่ <laughs> อันนี้ไม่ <laughs> อันนี้พูดตามหลักทั่วไป คนที่ศึกษากับพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่ก็เป็นพาาระอรหันทั้งนั้นใช่ไมเพราะฉนั้นถ้าพระพุทธเจ้าไม่อยู่เขาก็ไปหาลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าไปหาพระสาวรีบุตรไปหาพระอา น, นุ์ไปหาพระอะไรต่างๆที่ศึกษากับพระพุทธเจ้าพอพอลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าตายไปเขาก็ไปหาลูกศิษย์ของลูกศิษย์อีกทีหนึงมันก็เป็นการที่จะาหาพระอริยะเนี่ย พระอริยะก็ต้องรู้ว่ามีพระอริยะอยู่ท่านตายไปแล้วก็หาพวกพระที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยแต่ก็ไม่ใช่หมายความพระลูกศิษย์ทุกลูกจะเป็นพระอริยะกันหมดเพราะบางรูป ก, ก็อาจจะไม่ปฏิบัติเข่งคัดก็อาจจะไปไม่ถึงก็มีเราก็ต้องไปศึกษาไปส่วนหนึ่งเราก็ต้องรู้ว่าท่านสอนอะไรล้วเราจะได้รู้ว่าลูกศิษย์ของท่านสอนแบบเดียวกันหรือเปล่า ถ้าท่านสอนนอกแนวทางเราก็จะได้รู้ว่าอ่อไม่ใช่แล้วถึงแม้จะได้อยู่กับท่านมาก็ตา ม, มไม่มีแล้วใช่ไหมหายสงสัยแล้วนะก็มีก็มีอีกนิดหนึ่งครับคือเกี่ยวข้องกับบุญวาสนาในอดีตชาติด้วยหรือเปล่าครับที่จะต้องมา ถ้าเจอกันไม่หรอกบุญวาสนาเก่ามันไม่ได้เป็นตัวที่จะกําหนดให้เรามาเจอกันหรือไม่เจอกันแต่บุญวาสนาเก่ามันจะทำให้เร า, เาทำในสิ่งที่ที่เราต้องการทำได้ง่ายขึ้นช้าถ้าเรามีบุญเก่ามาพอเรามาทำบุญมันก็จะง่ายคนที่มีบุญเราจะทำบุญง่ายกว่าทำบาปคนที่มีบาปมา น, นี้จะทำจะทาบาปง่ายกว่าทำบุญ อันนี้เป็นเรื่องของอดีตแต่ปัจจุบันจะมาเจอใครนี้มันกําหนดไม่ได้หรอกเหมือนกับคุณไปจอดรถที่สี่แยกไฟแดงวันนี้แล้วพรุ่งนี้คุณไปจอดที่เดิมคุณคิดว่าจะไปเจอรถคันเดิมหรือเปล่าใช่ไยเอ่นั่นแหละมันเป็นแบบนั้นการมาเกิดนี้มันไม่มีตัวกําหนดตายตัวมันแล้วแต่จังหวะของแต่ละคนะเรามาเกิดกันนีก็เป็นจังหวะที่เรามาเจอกัน ชาติหน้าก็อย่าไปคิดว่าเราจะต้องมาเจอกันอีกอาจจะเจอกันก็ได้อาจจะไม่เจอกันก็ได้แต่ไม่สำคัญขอให้เราเจอพระพุทธศาสนาท่า น, นั้นแต่พระพุทธศาสนา น, นี่ก็เจอยากนานจะโผล่ขึ้นมาสักครั้งหนึ่งแล้วก็อยู่แค่ห้าพันปีก็หายไป เราก็ต้องรออีกแสนล้านปีล้วค่อยกลับมามีพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งงั้นตอนนี้เรามีแล้วก็อย่าไปกังวลกับข้างหน้ารีบเอาเอ า, เอาปัจจุบันนี้เอาศาสนาในปัจจุบันนี้มาทำประโยชน์ถ้าไปบวชก็ได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนี่แหละดีไหมอโอเคนะเอาแล้วนะเอาแค่นี้ก่อนนะ